เอาละเดี๋ยวมาเริ่มเข้าสู่ช่วงของการถามตอบนะเอาเลยครับคนแรกเลยนะสวัสดีครับพี่ตุลเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเคยส่งการบ้านพี่ตุล น, นะครับแล้วพี่ตุลให้ไปดูตัวที่มันโหดผู่ครับก็เริ่มเห็นแล้วครับว่าเวลาคิดอะไรมันจะไปตกในมุมนี้อยู่เรื่อยๆครับพี่ครับผม แต่หลังๆ ก, ก็ยังมีอยู่ครับพี่แต่ว่าดูเบาบางลงบ้างครับอย่างเมื่อกี้ตอนนั่งก็สว่างดีนะรู้สึกถึงความสว่างไหมรู้สึกเหมือนก็ไม่รู้สึกว่าเสงตัวสงบเนี่ยมันรู้สึกสบาย แล้วมันก็ปลอดโปร่งไปตัวตัวความผ่อนคลายตัวความปลอดโปร่งนั่นแหละคือตัวความสว่างนะแต่มันจะยังไม่สว่างชัดเพราะว่า เ, เราอาจจะยังไม่ได้เกิดความรู้สึกถึงภาวะของจิตชัดเจนมันมันมาคาคาอยู่ที่ ความรู้สึกเกี่ยวกับลมหายใจเกี่ยวกับร่างกายอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วมันปลอดโปรง่งมันก็มีอาการผ่อนพักพอสมควรเนี่ยนี้ point ก็คือว่าถ้าเรารู้สึกปลอดโปร่งอย่างนี้นะเราสามารถที่จะอาศัยเป็นตัวตั้งในการสังเกตดูว่าตอนที่มันซึมตอนที่มันหดหูเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงมันก็จะเริ่มเข้าใจว่าตอนที่จิตตั้งอยู่ในความปลอดโปรง่ง ตั้งอยู่ในความรู้สึกที่มันสงบไม่หดผูเนี่ยมันก็คือตอนที่มีสติแต่ตอนที่หดผูเนี่ยมันเหมือนจะคอยไหลไปตามอำนาจความเคยชินอย่างที่ผ่านมานะตอนที่มีจิตหดทูเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับความรู้สึกนึกคิดมันจะแบงงไปมันจะรู้สึกเออๆไปช่วงหนึ่ง แต่ตอนที่ปลอดโปร่งเนี่ยมันเหมือนกับจะนิ่งๆอยู่ในอาการที่สามารถรับรู้อะไรได้ตรงตามจริงที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้านี่ของน้องมันจะยังมีไอตัวที่มันวนกลับมาเหมือนกับพยายามครอบงาอะ่ะเราจะรู้สึกได้คล้ายๆกับมีความปลอดโปร่งดูเหมือนปลอดโปร่งดีๆอยู่ แต่แล้วก็มีภาวะที่มันหดผูเสื่องซึมเหมือนกับอยากจะกลับไปเสื่องซึมคือไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้อยากแต่มันมีภาวะหนึ่งคอยวนเวียนกลับมาและเรารู้สึกว่าเหมือนกับจะจะเอาด้วยกับมันรู้สึกไหมว่าในระหว่างวันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราต้องคุยกับคน ที่เราไม่ได้อยากฟังหรือว่าในช่วงที่เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็กำลังเบื่อเบื่อเสง่งนะ๊ตัวที่เบื่อตัวที่เสงมันเป็นภาวะที่สภาพของจิตใจเราอยู่ในภาวะไม่พร้อมทํางานตัวไม่พร้อมทํางานตัวภาวะที่ไม่รู้สึกอยากจะ ก, กระตือรือร้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าหากเราใช้ เป็นเครื่องมือจะเดินสติเนี่ยมันจะก้าวหน้าขึ้นไปกว่านี้ที่ผ่านมามันเหมือนกับไม่มีที่พึ่งไงมันไม่มีเครื่องยึดเหนียวทางใจหลังพอเราเกิดความรู้สึกทานองนี้แต่ต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าจำไว้เลยนะอันนี้คีย์เวิร์ดของเราคือว่าต้องเคลื่อนไหวคือไม่ใช่ดูลมหายใจอย่างเดียวนะแต่เคลื่อนไหวเลยเคลื่อนอะไรก็ได้สมมติถ้าหากว่า อยู่ที่โต๊ะทำงานเราลุกเปลี่ยนเอเรียบทแบบหนึ่งคือเดินเล่นเดินเดินดูเท้ากระทบต๊ะฟกซไปแต่ถ้าอยู่ในระหว่างสนทนาในห้องประชุมในระหว่างอยู่กับคนที่เราไม่ต้องการจะคุยด้วยนะคือมันต้องมีการขยับเนื้อขยับตัวนิดนึงคือขยับแบบไม่ให้ผิดสังเกตขยับในลักษณะที่เราผ่อนคลายเอเรียบท แต่ไม่น้อยเกินไปกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเนี่ยสามารถสังเกตได้ถึงอาการเคลื่อนไหวเนี่ยน้องลองเคลื่อนไหวดูเออเนี่ยอย่างแค่เนี้ยคือคือมันมันจะรู้สึกถึงอาการเปลี่ยนของใจเพราะทันใดที่ไอบบ<ร>ออกกาวกลั บ, บามาคร<า>อบเราได้แล้วเราไม่เคลื่อนไหวคือของน้องเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้เพราะ ว่ามันกลับมาครอบปุ๊บเราเรายอมนิ่งแบบเนี้อยู่ในอาการซึมมันก็เท่ากับเปิดประตูต้อนรับความเคยชินแบบเก่าแต่ถ้าเราขยับเคลื่อนไหวแล้วสังเกตว่าเออเนี่ยใจมันโปร่งขึ้นใจมันเป็นอิสระมากขึ้นในที่สุดน้องจะรู้สึกแบบที่ตอนที่พี่ไก้นั่งสมาธิ มันจะรู้สึกเหมือนกับมีความสงบมีความนิ่งแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้มีความอยากจะนอนไม่ได้มีความอยากจะไปพักอยู่เฉยๆนะย่งนี้ใช้ดูไอ้ตัวที่มันจะซึมๆเหมือนมันจะน้องสังเกตตอนที่ ม, มีความรู้สึกไม่อยากจะรับรู้อะไรตรงหน้าตรงเนี้ยเป็นพอยต์สำคัญที่เราจะ ใช้เป็นเครื่องสังเกตเพราะว่าลองทบทวนดูนะไอ้ภาวะที่เบื่อเบื่อนั่นนะ่ยมันมักจะมาตอนตอนที่เรานั่งอยู่คนเดียวแล้วงานตรงหน้ามันไม่ ท, าท้าทายหรือไม่ก็อยู่กับคนที่เราไม่อยากคือขี้เกียจจะฟังว่าเขาพูดอะไรจะเป็นเจ้านายจะเป็นเพื่อนนมงานจะเป็นใครก็แล้วแต่จะลูกค้าจะอะไรก็แล้วแต่ คือมันไม่เหมือนกันสิ่งกระทบเนี่ยที่เข้ามาหาเราแล้วโดยความเป็นเราเนี่ยโดยเส้นทางเนี่ยมันสร้างความเคยชินไว้ไงว่าถ้าไม่พอใจเนี่ยจะอยู่ในอาการแบบซึ ม, มคือเปิดถูไว้ครึ่งหนึ่งยังสามารถโต้อตอบกับเขาได้อยู่แต่ว่าใจจริงๆเนี่ยมันไม่เอาแล้วมันเหมือนมีอะไรมาปิดครอบไว้ครึ่งหนึ่งซึ่งตรงเนี้ย เราจะนึกออกว่าการมันเป็นยังไงเช่นกันพอเรานึกออกว่าการแบบนี้เป็นยังไงพอไปแก้ด้วยการเจริญสติด้วยการที่เคลื่อนไหวขยับนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกถึงอาการเปลี่ยนแปลงมันจะรู้สึกว่าจิตไม่เหมือนเดิมในความไม่เหมือนเดิมเนี่ยเราดูได้จากภาพรวมว่าทุกครั้งที่เริ่มจะถูกครอบ ด้วยของนิสัยแบบเก่าๆนิสัยทางจิตแบบเก่าๆ่มันจ ะ, ะไม่ถูกครอบเต็มถูกครอบแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็เคลื่อนออกแต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะเนีย่ยถ้าไปวิ่งจ็อกกิ้งนะแล้วก็รู้เท้ากระทบได้ยิ่งดีเลยมันจะเหมาะกับเรามากเพราะว่า สติของเราข้างในเนี่ยมันครึ้งคร้งกลางๆลางจะว่าตื่นก็ไม่ใช่จะว่าเสื่องซึมก็ไม่เชิงมันมันพร้อมจะสวิชจากโหมดหนึ่งไปอีกโหมดหนึ่งเหมือนคนที่กระตือรือร้นก็ได้เสื่องซึมก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอเวลานานแค่ข้ามนาทีมันไม่ต้องข้ามวันแค่ข้ามนาทีมันเปลี่ยนจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้เลย ขอบคุณมากครับพี่ตุล่จได้แล้วก็มีคถามเรื่อคะเช่นอาจารย์ว่าอย่างยังค้นหาตัวเอง่ะฮยังค้นหาตัวเองอยู่พี่อยากจะถามว่าเราจะค้นหายังไงให้เจอเร็วแล้วก็อย่างการปฏิบัติยังยังไม่คือเราเจอทิศทางแล้ว วันนั้นพี่ก็พูดไปแล้วนะเราเจอทิศทางแล้วแต่ว่ามันยังปฏิบัติมาไม่ได้เต็มที่เนี่ยอย่างสองสมวันที่ผ่านมาเราไปสังเกตไงเอ้เรื่องนั่งทื่องเงี้ยใช่หมมันมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วไอ้นี่ก็เรียกว่ามีการขยับไปในทิศทางที่มันใช่มากขึ้นโอเคต้นทางเนี่ยเรามาถูกแล้วบอกว่าพุทธศาสนาจะเดินสติ เพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับจากกิเลสทั้งสิ้นทั้งปวงนะดับจากความโศกทั้งปวงตรงนี้มันเหมือนกับใครๆก็รู้ใครๆก็ท่องกันขึ้นปากเขา้าแบบเรียกว่าคล่องปากนะแต่ว่าไอ้ที่มันจะทำได้จริงๆเนี่ยมันมีกี่คนนี่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราเริ่มมีพัฒนาการเนี่ยอย่าง ลองสมาธิผ่านมารู้สึกว่ามันคล่องตัวขึ้นไหมวันนี้ลองปฏิบัติดูแบบลองสังเกตลมหายใจเข้าหรือออกอ่ะก็สบายขึ้นนะคะใช่แะเห็นไหมมันไม่ทื่อเหมือนเดิมมันอันนี้ถือว่าโอเคหรือว่าคะ่ะหรือว่ายัางคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วไอโอเคไม่โอเคเนี่ยอย่าเพิ่งไปให้คะแนนมันเพราะว่าถ้ารีบให้คะแนนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะอาศัยเป็นเครื่องวัดว่าถ้าดีต้องอย่างนี้ แต่สังเกตต่อไปจะดีกว่าว่าแต่ละวันมันไม่เหมือนเดิมบางวันมันก็ขึ้นบางวันมันก็ลงหมายความว่าบางวันมันก็ปฏิบัติได้ดีบางวันมันก็รู้สึกเหมือนกับคอามตกกลับไปทื่อๆเหมือนเดิมอีกแล้วก็ค่อยๆไล่นับหนึ่งใหม่ทีละครั้งทีละผลเสร็จแล้วอย่างทางโลกเนี่ย เราจะทำไปแบบไหนเราจะทำงานยังไงนะถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าตรงนั้นเป็นเปลือกยังไงเราก็ต้องมีชีวิตแบบค า, ารวาสตรงนี้ไปก่อนเลี้ยงตัวให้ได้ก่อนเสแล้วมันจะได้แค่ไหนมันจะหยิบยื่นอะไรมาเป็นข้อเสนอให้เราเราก็รับ แต่ไม่ได้ขวนขวายมากเท่ากับตรงที่เราจะเอาจากพัฒนาการทางจิตวิญญาณพัฒนาการความเป็นพุทธที่มันจะ ค, ค่อยค่อยตื่นขึ้นมาเรื่อยสังเกตอาการที่มันตื่นขึ้นมากกว่าเดิมคือหมายถึงว่ามีอาการที่กระตือรือร้นมากขึ้นมีความคล่องตัวมากขึ้นมีความพร้อมที่จะรับรู้อะไรด้วยความมีใจ มีแก่ใจแต่เดิมเนี่ยเราต้องเหมือนกับบังคับตัวเองให้มีแก่ใจถึงจะรับรู้อะไรอย่างหนึ่งได้อย่างสดชื่นพูดง่ายๆว่าแ ก, แกล้งให้เขาเห็นว่าเราก็สดชื่นว่าเราก็อยากจะรับรู้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าใจข้างในของเราเนี่ยมันทื่อๆ อ, อยู่นี่สองวันที่ผ่านมามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาแบบหนึ่ง มันเกิดความรู้สึกว่าเต็มใจมากขึ้นอย่างบอกดูลมหายใจอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันไม่ได้เต็มใจดูมันต้องฝืนอ่ามันต้องฝืนแต่ครั้งนี้พอดูเป็นมันไม่ได้ฝืนมันเกิดความรู้สึกว่าเออวิธีที่จะรู้วิธีที่จะดูเนี่ยก็คือเห็นให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่เห็นให้มันเป็นอย่างที่ใจเราอยากจะให้มันเป็นแต่เดิมเนี่ยมันด้วยอาการจับด้วยอาการ ยึดไว้ทื่อๆด้วยาการอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกว่าเ อ, อิมไม่ได้คืบหน้าหรือถ้าจับพลัดจับผูมันเกิดความรู้สึกนิ่งๆลุกๆขึ้นมาเราก็จะเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งว่านี่นี่แหละคะแนนอยู่ที่ตรงนี้ถ้าจะก้าวหน้าต้องมาให้ถึงตรงนี้หรือเลยไปจากตรงนี้เสร็จ แ, แล้วมันไม่ได้อะไรมากไปกว่า พยายามซ้ําไปซ้ํำมาเพื่อให้เข้าถึงจุดเดิมแต่ทีนี้ถ้าเรามาฝึกด้วยอีกมุมมองหนึ่งมันจะเป็นยังไงเรายอมรับตรงนั้นเลยไม่มีคะแนนมีแต่เห็นว่าไอ้ น, นี่ไม่ดีแล้วมันต่างเป็นต่างไปเป็นดีในลมหายใจไหนแล้วในอีกลมหายใจต่อมามันกลับดรอปลงไปเราก็ไม่ให้คะแนนมันว่านี่ติดลบมีแต่บอกว่าโอเคนี่ภาวะไม่ดี แตกต่างจากเมื่อคู่ที่มันดีๆอยู่ความเป็นจิตเนี่ยมันจะเข้าหมดมีสติจริงๆคำว่ามีสติเนี่ยความหมายดั้งเดิมโดยนิยามก็คือว่ามีความสามารถระลึกรู้นะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันภาวะที่มันกำลังปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอยู่ แต่ตามอัตโนมัติของคนเนี่ยที่ยังมีกิเลสอยู่ด้วยความไม่รู้เนี่ยคําว่าสติมันกลายเป็นว่าบังคับได้อย่างใจคําว่าสติหมายความว่ามีอาการนิ่งๆนะแล้วก็มีอาการที่พูดง่ายๆว่าเป็นสมาธิไม่มีอาการไหวติงไม่มีความผุ้งซ่านซึ่งเราเป็นอย่างนั้นมาคือจะฟังจาก ทำความเข้าใจถูกต้องมาอย่างไรก็ตามโดยการปฏิบัติจริงเนี่ยยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างเดิมมันจะมีความรู้สึกว่าต้องล็อกต้องนิ่งต้องมีแต่อะไรดีกับดีเท่านั้นถึงจะเรียกว่าใช้ได้ถึงจะเรียกว่า effective ทีนี้คำว่า effective เนี่ยเราไมานิยามกันใหม่หมดเลย effective ในความหมายที่ว่าสามารถเห็น ว่ามันแตกต่างไปยังไงอะตะวางดีกับไม่ดีเพื่อให้รู้จริงๆว่ามันไม่เที่ยงตัวเนี้ยอันนี้คราวนี้กลับมาตอบคำถามแรกถ้าเราเห็นได้เรื่อยๆแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าจิตตระวางขึ้นตว่างขึ้นมีความปลอดโป่งมากขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นตรงนี้มันจะกลายเป็นคำตอบใหม่คือไม่ใช่คำตอบจากพี่ว่านี่ ให้ตรงนี้แหละที่เราจะพบทางชีวิตของตัวเองชัดเจนแต่มันจะเต็มออกมาจากใจเลยใจที่มันรู้ใจที่มันรู้สึกว่านี่มาถูกทางแล้วที่เราต้องการจริงๆในชีวิต อ, อีกน้นวทางโลกอะคะ่ะทางโลกนี้ดูก็ทาไปเ ร, เรื่อยอะคะ่ะ ห, หรือว่าก็ทางานไปเรื่อยน่าจะถูกทาง นะคือให้มันเป็นเปลือกในชีวิตใบเพราะใจของเราจริงๆอย่างที่พี่บอกวันก่อนนะท้งโลกเนี่ยมันก็อยากได้อย่างดีอย่างมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละแต่มันไม่สุดมันมีความรู้สึกเหมือนอยากแบบครึง่งๆกลางๆเอาง่ายๆเข า, าบอกว่ า, าจะให้เราสิบล้านเนี่ยแต่ขอให้ไปอยู่ไซบีเรียอย่างเนี้ยนะ ไปอยู่ในที่ที่มันกันดารหรือว่าต้องออกแรงพูดง่ายๆไปสุดลาฟ้าเขียวแล้วก็ออกแรงแบบหามรุ่งหามค่ําเนี่ยเราก็ไม่เอาคือคือบางทีเนี่ยมันจะอยากได้บอกว่าให้เงินสิบล้านมาเนี่ยเอาว่าเอาแต่พอบอกเงื่อนไขว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เราจะชะนักเนี่ยยกตัว อ, อย่างนะที่ผ่านมาเราก็เป็นอย่างนี้ย คือเหมือนกับถ้ามันต้องออกแรงจริงๆบางทีเราจะมองไม่เห็นว่าที่ออกแรงไปเนี่ยแล้วได้สิ่งที่ต้องการมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ามันแลกกันได้หรือเปล่าทีนี้ถ้าแลกกันไม่ได้แล้วอะไรล่ะที่มันจะเพียงพอให้แลกกันได้ตรงนี้ก็เป็นคําตอบทางใจซึ่งพี่ถึงบอกว่า ทางโลกเนี่ยทำไปเรื่อยๆเถอะให้มันเลี้ยงตัวให้ตอดแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตแบบโลกโลกเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกที่เลี้ยงตัวเราไว้ให้จะเดินสติต่อไปแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆคือไม่ใช่หวังว่าจะได้มรรคผลเมื่อนันเมื่อ น, นี่ไม่ได้หวังว่าจะได้เป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้หรือเปล่า แต่ระหวังที่จะได้เจริญสติแล้วก็เห็นพัฒนาการของเราไปวันต่อวันเหมือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคือมันสะสมมาเยอะแล้วกําลังของสมาธิกาลังของไอ้ความตั้งใจที่จะภาคเพียรแต่มันยังครึ่งครึ้มกลางๆเพราะว่ามุมมองมันยังเซตไม่ได้ถูกต้องตามทิศตามทางแต่เดี๋ยวจะหาได้เองถ้าสมม ต, ติว่าปฏิบัติไม่ใช่จะหาได้เองคือที่ผ่านมามันก็โอเคแล้ว สองสัปาที่ผ่านมาแต่มันต้องรอการสะสมพัฒนาการเพราะเราจะไปเร่งเอาไม่ได้ว่าเนี่ยจิตมันจะสว่างเต็มขึ้นมาวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้มันไม่เหมือนทางโลกกำหนดได้ต้องให้เสร็จเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี้แต่กำลังของจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องอาจินไตมันคาดคะเนเอาไม่ได้คือมันมันอาจจะบอกได้ด้วย กำลังจิตของคนที่สูงกว่าเรานะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอีกกี่ปีกีป่ปีถ้าทำไปตามเส้นทางนั้นเส้นทางนี้แล้วเนี่ยมันจะก้าวหน้าไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้อันนี้มันอาจจะบอกได้แต่ตัวของเราเองเนี่ยคือเราเห็นแค่ว่าแต่ละวันมันก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่าคําว่าก้าวหน้าก็คือว่าสามารถเห็นอะไรตามจริงสามารถยอมรับอะไรตามจริงได้ไหมเวลาที่เผชิญกับกิเลสทางโลกเนี่ย เราเกิดความรู้สึกร้อนดลทุรนทุรไลเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมีอาการเสื่องซึมทื่อๆเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างของเราบางทีมันเป็นพวกครึ่งครึ่งกลางกางมันกึ่งทื่อกึ่งร้อนดลเข้าใจคํานี้ไหมกึ่งทื่อเนี่ยก็คือเราเรามีความรู้สึกเหมือนถูกครอบอยุดได้อะไรบางอย่างที่เราบอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้แต่ด้วยความร้อนดลเนี่ยก็คือว่ามันเหมือน มีอาการวิ่งแสวงหา mm hmm. ตัวเนี้ยถ้าหากว่าเราเห็นว่ามันทะลุออกไปมันเปิดกว้างออกไปอย่างเนี้ยอย่างตอนเนี้ยเราจะรู้สึกได้มันเหมือนเป็นอิสระมากขึ้นไออาการที่มันครอบๆกดกดที่มันเหมือนถูกขังไว้ใน mm hmm. ห้องแคบๆเนี่ยมันเหมือนหลุดไป mm hmm. อาการอาการร้อนๆนดนๆมันอาจจะยังเหลืออยู่ แต่ว่ามันไม่ใช่ในอาการพุ่งพล่านแต่มันเป็นอาการกระตอรือรือร้นในอีกแบบหนึง่งนะตัวนี้แหละที่มันเป็นคําตอบในชีวิตมันเป็นคําตอบออกมาจากสภาพทางใจมันเป็นคําตอบออกมาจากความรู้สึกไว่ใช่นะไม่ใช่คําตอบจากพี่นะครับสวัสดีครับขั้นแรกนะคะอยากจะขอคํำแนะนำจาก ควรจะเป็นแบบไหนที่บอกตรงนะคะที่ผ่านมามันจะทำมาแบบไหนก็แล้วแต่นะแต่และแบบเนี่ยมันจะจ้องอยู่เฉยเฉยมันมันจะมีอาการอยู่อาการหนึ่งคือจ้องอยู่เฉยเฉยคืพอเราเริ่มคุ้น กับแนวปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งมันจะมีอาการจ้องอยู่แล้วก็พูดง่ายๆว่าโอเคบางทีมันอาจจะมีสมาธิมันอาจจะมีความสงบขึ้นมาแต่มันจะไม่เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบางที่เราหาไม่เจอบางทีก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออเนี่ยร่างกายมันเป็นผุ่นทืๆ ม, มันมีบ้างนะ แต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นปกติมันเกิดขึ้นเป็นวุบๆว่บาบานี่ถ้าถามตัวเองว่าเอ๊ที่ผ่านมาเนี่ยมัน ป, ปฏิบัติเข้ามาในกายปฏิบัติเข้ามาในใจไหมมันมานะอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนนั่งดูลมมันก็เหมือนกับเห็นมันก็เหมือนกับรู้สึกถึงท่านั่ง แต่มันจะไม่รู้สึกว่าไอ้ไอที่บอกว่าเป็นลมหายใจเข้าเข้าบ้างออกบ้างเนี่ยมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่อะมันเป็นยังไงมันแค่รู้สึกอยู่ถึงลมหายใจเฉยเฉยรู้สึกว่าร่างกายสงบสว่างแต่ไม่ได้รู้สึกว่าลมหายใจแสดงความไม่เที่ยงอยู่นั่นเป็นเพราะว่าเราจ้องอยู่เฉยเฉยโดยลักษณะอาการของใจบางทีนะ คือมาเขียนกันสิบหน้ากระดาษเนี่ยมันบรรยายไม่ถูกหรอกแต่ของคุณจะรู้สึกได้ว่าเราคล้ายๆกับดูดูมันแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีตัวดูที่มันนิ่งๆอยู่เป็นตัวเราต่อไปพอถ้าหากว่าจะมาะดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้อีกต้องสังเกตไป ใจที่มันเฝ้าจดจ้องเฝ้าจดจ้องลมหายใจอยู่ในอาการเดียวนะมันจะมีลักษณะเป็นความคิดแบบทึบๆขึ้นมาบางทีตัวเราโปร่งนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรารู้สึกถึงความปลอดโปร่งของร่างกายได้แต่จะรู้สึกขึ้นมาตรงนึ ง, ตร ง, นงตรงที่มันจ้องลมหายใจเนี่ยมันอาศัยการสั่งสมความเคยชินมาแบบหนึ่งที่จะจดจ้องอยู่เฉยๆ รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกรู้ว่าเข้ารู้ว่า ร, รู้ว่าออกนะแต่ไอตัวนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นตัวเราเต็มที่เลยต่อไปถ้าหากว่าเราสามารถสังเกตตรงนี้ได้คือทาทำเหมือนปกติทุกราการที่ผ่านมาเลยนะแล้วพอมันเกิดภาวะแบบนี้ร่างกายมันปลอดโปร่งแล้วแต่มีอะไรที่มันนิ่งๆทื่อๆอยู่ในหัวด้วยอาการจดจ้องนะ ก็ดูไปว่านี่เป็นภาวะปรุงแต่งทางกายอย่างภาวะปรุงแต่งทางใจอย่างหนึ่งที่มันกำลังดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก mm hmm. ราวกับว่าจะอาศัยนะลมหายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของสมาธิต่อไปลองทำความรู้สึกเข้ามาให้มากในขั้นต่อไปนะ คือพอเราเริ่มรู้แล้วว่ามีอะไรที่มันหนักๆที่มันเป็นตัวตนอยู่ในอยู่ในโครงศีรษะให้ลองทำความรู้สึกใหม่หายใจเข้ามันมีความแตกต่างตรงความรู้สึกสดชื่นหายใจออกมันมีความรู้สึกแตกต่างตรงความรู้สึกว่าเออมันได้ผ่อนคลายระบายความอึดงหนาดดอกไปจากนั้นมันจะอยู่ในภาวะนิ่งๆโล่งๆ ปลอดโปรงแต่ที่ผ่านมาของคุณมันไม่ใช่พอจดจ้องดูลมหายใจอยู่มันเสมอกันหมดทั้งขาเข้าขาออกแล้วก็ตอนหยุดเรากล่ว่ามีตัวเราเพียงหนึ่งเดียวเป็นอันเดียวแล้วก็ที่หายใจเข้าหายใจออกให้ดูอยู่เนี้ยมันก็เป็นเป็นเหมือนกับของที่เนื่องโดยตัวตัวเราตัวเราในเนี้ย บางทีมันรู้สึกเหมือนกันนะคะพอปร่งๆแล้วมันก็จะมีนิดๆแต่ว่าบางทีมันแก้มันแก้ไม่ได้ไม่ใช่นะ <c oughs> ที่ที่พูดมาเนี้ยคือไม่ได้ให้พยายามแก้ <c oughs> จำมาให้ดีนะ <c oughs> แต่ให้ยอมรับเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยอันนี้ต้องต้องพูดชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะให้ทำเหมือนเดิมทุกประการจนกระทั่งเราสามารถเห็นภาวะนิ่งๆทื่อๆคือมีตัวหนึ่งจ้องดูอยู่เฉยๆ ต้องดูว่ามันเข้ามันออกมันเข้ามันออกเนี่ยผมให้ดูตรงนั้นเนี่ยว่าความรู้สึกมันเท่าเดิมเลยทั้งขาเข้าทั้งขาออกทั้งตอนที่หยุดมันไม่เปลี่ยนมันไม่เคลื่อนเลยแต่ทีนี้เมื่อเราใส่ใจในรายละเอียดเห็นความแตกต่างตอนขาเข้ามันรู้สึกสดชื่นตอนขาออกมันรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายความหมึดอัดมันจะเริ่มเห็นความแตกต่างได้ แต่เดิมมันไม่เห็นความแตกต่างอันนี้ผมให้สังเกตรายละเอียดเพื่อให้เห็นความแตกต่างนี้พอเริ่มเห็นความแตกต่างประเด็นสําคัญก็คือมันจะเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเดิมแตกต่างไปทีละนิดทีละนิดสั่งสมความรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันขาเข้าอย่างหนึ่งรู้สึกอย่างหนึ่งขาออกอย่างหนึ่งรู้สึกอีกอย่างหนึ่งตอนที่มันรู้สึกปลอดโปร่งก็รู้สึกไปอีกอย่างหนึ่ง จิตจะเข้าสู่ภาวะของผู้รับรู้ว่าเนี่ยภาวะมันไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆตรงเนี้ยมันจะหลุดจากไอภาวะที่ว่าทื่อๆเนี่ยว่ามันเป็นอันเดียวนะมันเป็นตัวเดิมจากนั้นพอเราเริ่มรู้สึกถึงภาวะทางกายมันจะอยู่ท่านั่งมันจะอยู่ท่านไหนก็แล้วแต่ตรงนี้มันจะเริ่มแตกต่างไปละ คือพอภาวะไอที่มันทื่อๆทึบๆตรงนั้นหายไปมันกลายเปลี่ยนเป็นความปลอดโปร่งขึ้นมาแทนเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้แหละคล้ายๆกับเราพอเราเริ่มกลับมารู้สึกถึงท่านั่งใหม่มันเป็นท่านั่งที่แตกต่างไปมันไม่ใช่ตัวของเราตัวเดิมมันเป็นตัวใหม่ที่มันปลอดโปร่งมากขึ้นในตัวที่มันปลอดโปร่งมากขึ้นมันแสดงกิริยาอะไรเนี่ยอย่างพยังหน้าอะไรเนี่ย มันมันจะรู้สึกรู้สึกว่าเออเนี่ยมีการขยับไหวคล้ายๆกับเห็นหุ่นกระบอกขยับอันนี้ตั้งใจมากเกินไปอันนี้ตั้งใจดูอาการไปรยักหน้าคือเมื่อกี้พอพอผมพูดถึงอาการไปรยักหน้าพวกมันล็อกเลยไม่ใจะดูเฉพาะอาการไปรยักหน้าจริงๆแล้วเราต้องอยู่ในอิริย บ, บทปกติปัจจุบันเนี่ยมันนั่งอยู่คอตั้งหลังตรงนะจากนั้นเนี่ย ภาวะขอตั้งหลังตรงตรงนี้ขยับไปทางไหนเราถึงรู้แต่ปกติเนี่ยคนนะพอนิยามของการเจริญสติขยับกายเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยพอขยับแขนทีก็เพ่งไปที่แขนทีหนึ่งเพ่งไปที่อาการขยับของแขนไจับน้ำเดือมมาก็เพ่งอยู่แต่อาการขยับไปจับน้ำน้เดือมของแขนทั้งแขนแต่ว่าลืม นะอาการขอตั้งหลังตรงหรือว่าอาการนั่งที่มันเป็นปกติอยู่ไปตรงนั้นมันก็ไม่ได้เรียกว่าอยู่ในการเจริญสติแบบสติปัฏฐานแล้วถ้าการเจริญสติแบบสติปัฏฐานมันต้องเห็นภาวะที่มันเป็นอริยบทพื้นฐานให้ได้ก่อนถ้าไม่สามารถเห็นอริยบทพื้นฐานนะใจเนี่ยมันล็อกอยู่แคบๆเร็งอยู่แคบๆเสมอ แต่ถ้ามันรู้สึกถึงอิริยาบถพื้นฐานเนี่ยใจมันจะเปิดใจมันจะเต็มเหมือนกับตอนที่บางทีนะเรานั่งทำงานไปไม่ต้องพูดถึงการจะเดินสติเราทั้งนั่งทำงานไปอย่างมีสติเต็มจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่าเออเรากำลังนั่งอยู่นั่งอยู่อย่างมีสติเวลาดูในห้องประชมุมเนี่ยถ้าเราคุยอย่างมีสติจริงๆนะเราจะรู้สึกถึง อาการทรงตัวนั่งอยู่ก็ตั้งหลังตรงนะอยู่ในแบบที่มันไมไ่พร้อมจะงกเง่งไม่พร้อมจะง่วงเหงาหานอนมันไม่เหมือนกับไอ ภ, ภาวะที่เรามาเพ่งแคบๆเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันรู้สึกเต็มตัวคําว่ารู้สึกเต็มตัวก็หมายความถึงไอประสบการณ์ภายในที่รู้สึกถึงท่านั่งท่ายืนท่าเดินที่มันเป็นปกติ ที่มันรู้สึกเบาที่มันรู้สึกสบายแต่มีตัวตนจับต้องได้นี่พอเนี่ยอย่างของคุณเนี่ยนะจิตมันพลิกไปพลิกมาระหว่างมืดกับสว่างไง่ายระหว่างทึบกับระหว่างโปร่งเียมันมันแป๊บเดียวนะตอนที่ เราคิดอะไรแบบหมกมุ่นคุ้นคิดมันจะรู้สึกทึบๆมันจะรู้สึกเหมือนแข็งๆงมนจะรู้สึกเหมือนคนคิดมากเหมือนเดิมเหมือนตัวเดิมที่มันจเจริญสติไม่เป็นนั่งสมาธิไม่ได้แต่ทําอะไรเนี่ยยังพอมีสติรู้สึกถึงท่านั่งขึ้นมาจิตมันเป็นอีกแบบหนึง่งมันรู้สึกปลอดสงขงขึ้นตัวนี้ก็สามารถที่จะเอามาเป็นเครื่องมือในการจเจริญสติได้ ตอนปลดปรงเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันตัวมันใสตอนที่มันทึบๆมันเหมือนกับคนที่คิดมากแล้วก็เลิกคิดไม่ได้เหมือนกับมีกำแพงขวางไม่ให้เราจะเดินสตินี่พูดง่ายๆว่าณนะเวลาที่เราทึบมันลืมตั ว, ล, ตวลืมตน ลืมเนื้อลืมตัวนะว่าเออเนี่ยสภาพทางกายเป็นยังไงอยู่สภาพทางใจเป็นยังไงอยู่ก็อาจจะไล่แบบง่ายๆ ง, ง่ายที่สุดก็คือจากเท้าไล่ขึ้นมาที่มือแล้วก็ไล่ขึ้นมาที่ใบหน้ามันสามารถปลอดโปรงได้แน่แน่ทันทีคือยิ่งทํามันจะยิ่งมีความชํานาญที่จะเข้าทางไม่งั้นเนี่ยอพอมันรู้สึกทึบขึ้นมาแล้วเรานึกไม่ออกว่าทํำยังไง นะมันจะถึงกลับเข้าทางใหม่ได้ตรงนั้นมันก็จะเหมือนกับสายเกินไปแล้วมันกลายเป็นความสับสนมันกลายเป็นความงงงงเพิ่มความรู้สึกคุนคุนให้มันมีมากขึ้นบีกข้อสำคัญก็คือพอเริ่มที่จะกลับเข้าทางได้ไล่จากเท้าไล่จากมือขึ้นมานะ มันจะได้รู้สึกถึงอเอริยาบทนั่งที่เป็นปัจจุบันได้เนี่ยก็เปรียบเทียบว่าจิตเมื่อกี้ที่มันคุนค้นๆทึบๆมันหายไปแล้วมันต่างไปแล้วกลายเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่มีมีความรู้สึกปลอดโปร่งเนี่ยเราอาจจะใช้อาศัยลมหายใจเป็นตัวตั้งก็ได้ลมหายใจที่แล้วมันทึบๆลมหายใจนี้มันโปร่งแล้วนะอย่างตอนเนี้มันครึ้มคึ้งกลาง เราก็รู้ไปว่าลมหายใจนี้ครึ่งๆกลางๆคาว่าครึ่งๆกลางๆคือมันจะปลอดโปร่งก็ไม่ใช่มันจะทึบแน่นก็ไม่เชิงเนี่ยภาวะครึ่งๆกลางๆเป็นอย่างนี้คือยอมรับไปตามสภาพมันที่มันกําลังปรากฏแล้วหายใจทีหนึ่งแล้วเปรียบเทียบดูอีกทีหนึ่งว่ามันแตกต่างไปไหมตรงนี้แหละคือจุดที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้สติมันจะเดินขึ้นรับรู้เข้ามา ในภาวะที่กำลังปรากฏเด่นอยู่จริงๆภายในขอบเขตของกายใจนี้แล้วสติมันจะพัฒนาขึ้นไปเห็นความไม่เที่ยงของแต่ละภาวะไปเองโดยที่ไม่ต้องตั้งใจแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าแต่ละภาวะมันต่างกันยังไงไม่รู้จะสังเกตยอย่างไรเนี่ยบางทีมันยากนะที่เราจะไปดูไปเจริญสติหรือไปพยายามเห็นความไม่เที่ยงนะ คําถามหนึ่งะคะ่ะคือในชีวิตประจำวันเวลาอยู่บ้านนะคะถ้าก่อนนอนหรือไม่คือพยายามตื่นตอนเช้าก่อนที่จะตื่นช่วงกลางคืนนะคะ mm hmm. เพื่อจะมานั่งสมาธิจะมีปัญหาคือนั่งแล้วมันหลับทุกครั้งนะคะทีนี้เราถ้าอย่างนั้นควรใช้วิธีเป็นดนที่หลับที่หลับก็เพราะอย่างที่ผมบอกนั่นแหละมันไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงมันมีตัวหนึ่งจ้องอยู่เฉยคือเนี่ยทำมาหลายแบบนานแล้วนะนี่ทำมานานแล้วใช่ไหม คือคือก็เรียกว่าผ่านมาหลายหายการทดลองอะ่ะอย่างบริกรรมพุโทโธอย่างอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเคยมาหมดอะ่ะนะเดินจงกรมอะไรแต่ว่าแต่และอย่างเนี่ยคือราไปหยุดคือทำๆเลยมันหยุดหยุดอยู่ตอนที่จ้องอยู่เฉยๆอาการจ้องอยู่เฉยๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเนมันเหมือนมีตัวอะไรตัวหนึ่งดูอยู่พยายามดูมันเหมือนเห็น แต่ว่าเห็นแล้วไม่รู้ว่าจะเห็นไปเพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่นะพวกนั่งสมาธิเนี่ยมาติดกันอยู่ตรงนี้หมดเลยเท่าที่พบมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยนะเ้า 99. สิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้าเปอร์ซนตมันไปตอบไม่ได้ก็เพราะตรงนี้ครั้นจะไม่นั่งสมาธิเลยคืออยู่ๆไปเจริญสติเลยระหว่างวันเนี่ยมันก็เหมือนลอยไปเรื่อยๆมันจับจุดยาก นี่เวลาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านสอนคือเน้นหนักเน้นหนาเลยนะอย่างอาณาปานัติเนี่ยถ้าใครจเจริญถูกจริงๆไม่กี่วันมันก้าวหน้ามันเห็นผลเลยแ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไอ้บางบางคนเนี่ยรู้คือทำมาเป็นสิบปีแล้วอย่าไปเสียกำลังใจนะคือที่ทำทำมาเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่ามันไม่ได้หายไปไหนนะมันมันมีกำลังซัพพอร์ตอยู่ ม, มันมีไอเหมือนน้ำมันดิบอะ่ะที่เป็นแองใหญ่พร้อมที่จะให้เรากลั่นออกมาใช้งานประเด็นก็คือเราต้องมีตัวมุมมองในการกลัน่นมีวิธีกลั่นที่ถูกต้องแล้วก็ถ้ามันเริ่มเข้าสู่ทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าไมิบปี20สิปีที่ เพียนมาเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่ามันไม่ได้หายไปไหนมันมันกลับมาย้อนกลับมาบวกกันนี่ทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะเดี๋ยวพอกลับไปเวลานั่งสมาธิเนี่ยล้องไปสังเกตดูแค่นี้คือถ้าจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะเอาแค่ว่าหายใจเข้าแล้วรู้สึกสดชื่นหายใจออกรู้สึกว่ามันผ่อนคลายออกไปมันต่างกันไงแ้วตอนหยุดเนี่ยมันรู้สึกปลอดโปร่งนะเห็นเห็นความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ นี้มันจะหายใจยาวบ้างสั้นบ้างเนี่ยอย่าไปบังคับแต่ต้องถามตัวเองทุกครั้งเนี่ยไอ้ที่มันใช่ที่สุดเป็นภาวะที่ใช่ที่สุดตรงตามธรรมชาติที่สุดของกายเนี่ยกำลังเป็นอย่างไรอยู่พอรู้สึกได้เนี่ยคราวนี้ไอ้อาการที่มันคอยจะหลับมันจะหายไปเพราะไอ้ตัวที่มันทื่ออยู่ในหัวเนี่ยมันเริ่มปลอดโปรงมันเริ่มเหมือนเปิด เปิดออกเห็นไม่ใช่ว่าปิดแล้วก็ล็อกตัวอยู่กับภาวะที่มันพร้อมจะหนักหนักหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคครับสวัสดีครับรู้สึกว่าตัวเองจิตไม่ค่อยมีกำลังครับก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่ามีวิธีไหนอีกไหมครับนอกเหนือจากการนั่งสมาธิที่จะเพิ่มกำลังให้ให้จิต เรื่องของกําลังจิตเนี่ยบางทีมันไม่ใช่บัดสินกันที่ว่าเราทำสมาธิถูกหรือผิดจะเดินสติตรงทางหรือไม่ตรงทางนะมันอยู่ที่การใช้ชีวิตประจำวันด้วยอย่างของคุณเนี่ยตัวโจทย์ที่ถามว่าทำไมเอ่อที่ที่ที่ถามว่าเออทำยังไงมันถึงจะมีกําลังมากกว่านี้เนี่ยนะ เหตุผลที่แท้จริงมันไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าใจเราไม่มีกําลังตรงกันข้ามลึกๆเนะี่ยเรารู้สึกว่าเรามีกําลังมากกว่านี้เข้าใจไหมคือคือความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่มี energy มากกว่านี้มีไอ้ตัวกาลังของจิต ที่อยู่ดีๆมันผุดขึ้นมาเองที่อยู่ดีๆมันแสดงตัวขึ้นมาเองในเวลาที่ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันในบางสถานการณ์เราจะรู้สึกได้แล้วมันรู้สึกได้มาตั้งแต่เด็กๆงั้นเราก็มี power เหมือนกันแต่พอมาจริมสติแล้วทำไมมันเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะว่านั่งสมาธิก็ตามหรือว่าพ ย, พยายามจริมสติก็ตามมันป้อๆแแป้ๆมันขัดแย้งกันอยู่ เห็นไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่มันเป็นโจทย์ของเราจริงๆไม่ใช่ว่าจิตของเราไม่มีกําลังแต่เป็นที่ว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีกําลังมากกว่านี้นี้มองดูการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันเหมือนกับใจของเราชอบมีอาการละล้าละละัง อย่างบางทีเนี่ยในชีวิตแบบโลกๆไประว่างวันเนี่ยมันฟุง้งซ่านเรื่องการปฏิบัติเข้าใจคําว่าฟุง้งซ่านเรื่องการปฏิบัติไหมมันบางทีมันนึกถึงคือมันไม่อยากจดจอ่อไม่อยากโฟกัสอยู่กับเรื่องแบบโลกๆหรือ ง, งานทางโลกมันคอยคิดเนี่ยเอออยากจะไปปรีวิเวกบ้าง คอยคิดว่าบวช ด, ดีไหมนะอะไรแบบเนี้นะที่จะได้ทำเต็มที่มันเอาคมมีดไปชฉาะดินเล่นอะไปเสียเวลากับความฟุ้งซ่านที่มันยังมาไม่ถึงตรงนั้นคือแทนที่จะโฟกัส ก, สกงานเต็มที่มันเหมือนอย่างโน้นอย่างนี้คือไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวนะ มันแวบไปทางโน้นทีแวบไปทางนี้ทีเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าเราจะให้จิตเนี่ยไปวางอยู่ตรงไหนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่เราจำได้ว่าตอนมีความกระตือรือร้นกับงานจริงๆโฟกัสกับงานจริงๆ ภาวะทางใจมันมีความเข้มข้นมากกว่านี้มันไม่สัดสายแบบนี้ตัวความสัดนสายเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าจิตไม่มีกำลังตัวความไม่รู้จักโฟกัสกับสิ่งที่ชอบใจได้อย่างไรนั่นแหละตัวนี้แหละที่มันทำให้เสียกำลัง เสียกำลังไปเปล่าๆกับความคิดอยากจะไปทำโน่นอยากจะไปทำนี่ทั้งๆ ท, ที่มีสิ่งที่น่าจะทำหรือควรจะทำอยู่ตรงหน้าเพราะนั้นการเจริญสติที่ถูกต้องสาหรับคุณก็คือให้ไปเห็นว่าตอนที่ใจเรามันคอยแบบออกนอกทางออกนอกโฟกัสไลสิ่งที่มันอยู่ในภาวะตรงหน้าเนี่ยต้องบอกตัวเองว่า ามักลบดึงมันกลับมาแล้วบอกว่าการเจริญสติที่แท้จริงมันคือการรู้จักโฟกัสกับสิ่งที่ควรจะโฟกัสตรงหน้าได้อย่างถูกต้องไม่ใช่ปล่อยให้มันคิดเอาจะเรื่องการปฏิบัติก็ตามจะเรื่องคนก็ตามเพราะเวลามีความขัดแย้งกับใครหรือแบบมีความรู้สึกกลุ่นกลุนอยู่อะว่าเนี่ยไม่มีทางมา ตอกันติดเนี่ยเราจะรู้สึกอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมีอาการกวกนวล่อยความรู้สึกไม่พอใจมันไม่อยากจะมาคุยด้วยมันไม่อยากจะมาทํางานด้วยหรือว่าไม่อยากจะมาเจอไม่อยากจะมาพบหน้าเพราะมันมันรู้สึกเหมือนกับแสลงใจเนี่ยเครื่องรบกวนจิตใจเหล่านี้ ถ้าเราปล่อยให้มันครอบงมจิตใจเราได้โดยไม่เจริญสติไม่มองให้เห็นตัวภาวะรบกวนมันก็จะเหมือนตามใจตัวเองให้ปล่อยลอยออกไปตามภาวะพุ่งสัน้นหรือภาวะที่มายื้อไปมาชิงเอาไปเดี๋ยวซ้ายทีเดี๋ยวขวาทีที่อยากปฏิบัติเต็มที่มันไม่ได้อยากปฏิบัติจริงนะ ถ้าอยากปฏิบัติจริงมันปฏิบัติเลยจากภาวะที่อยู่ตรงหน้าไอ้นี่มันเหมือนกับอยากจะหนีให้พน้นกับภาวะที่มันไม่พอใจภาวะที่มันเบื่อเบื่อภาวะที่มันรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ขัดขวางเป็นตัวขัดขวางความเจริญพอเริ่มเห็นเนี่ยว่าอาการที่ทํา ให้จิตของเราเนี่ยแยกเป็น2ทางสามทางมันมาจากอาการปล่อยใจมันไม่ใช่เรื่องที่มารบกวนไม่ใช่เรื่องที่มากระทบสติของเรามันจะได้ที่โฟกัสมาขึ้นก็โฟกัสตรงนั้นแหละโฟกัสตรงที่อาการสองจิตสองใจมันจะเห็นเป็นเหมือนกับจิตของเราไม่ตรงแล้วก็คอยจะแยกออก เนี่ยทบทวนดูมันนึกออกใช่ไหมอาการแยกออก ม, มันมันโย่ไปทางนี้ทีโย่ไปทางนี้ทีพอเห็นอนาะการแบบนั้นแล้วเราเท่าทันทุกครั้งมันคือการเจริญสติแล้วเห็นภาวะพรุงแต่งที่จะยื้อไปที่จะยื้อเราจากโฟกัสตรงหน้าและต่อไปคืออย่างเวลาทำสมาธิ มันมีอาการไม่พอใจในตัวเองพอนั่งสมาธิไปแล้วไม่ได้ดีตามที่ตั้งไว้ในใจมันไม่เอาเลยตั้งแต่แรกๆเลยมันเหมือนขี้เกียจทําแล้วเสร็จแล้วก็ไปวาดไว้ในจินตนาการเออเนี่ยถ้าเปลี่วิเวกไปเนี่ยเราคงทําอย่างนั้นทําอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะเปลี่วิเวกไปเนี่ย จิตเหมือนเดิมมันก็จะไปเจอภาวะที่ทำให้ซ้ำรอยเดิมนั่นแหละรู้สึกอยู่ว่าโทษนั่นโทษนี้แต่ถ้าเราไม่โทษนั่นโทษนี้ตั้งแต่อยู่ในภาวะอย่างนี้นะมันจะมีพัฒนาการเริ่มไปจากตรงภาวะที่กาลังรู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรดีขึ้นนี่แหละก้าวแรกมันจะเริ่มจากตรงนั้นเนี่ย นะครับสวัสดีครับก็ชี้ประจวนก็รู้สึกตัวบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างค่ะก็กบอๆค่ะคำถามคือคำถามคือในระหว่างนี้ช่วงเนี้ยคือถ้าเราพยันละนันที ในการละนันทีนี่มันเป็นการเพ้นบังคับไหมคะคือมันจะปล่อยไปดื้อๆแหลนะแหน่สิ่งที่เราชอบใจหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจก็แล้วแต่เนี่ยตัวนันทีนี่หมายถึงตัวที่เราติดตัวที่เราติดใจอยู่เนี่ยอาการที่พยายามละนี่มันเป็นอาการเหมือนกับ บอกตัวเองดือด้อว่าจงละเสียมันไม่ได้ทิ้งจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคาราวาดเนี่ยนะการที่เราจะบอกว่าไม่เอาแล้วบางทีมันยากเพราะบางทีจิตของเราเนี่ยไม่เห็นเหตุผลที่แท้จริงว่าละไปแล้วจะได้อะไรมาแทน เห็นห ต, รตรงนี้จริงจริงแล้วเนี่ยเ ป, เป็นจิตของธรรมดาของคนที่ยังไม่รู้ว่าปลายทางเราจะได้รั บ, รบอะไรเป็นรางวัลบางทีมันมีข้อแลกเปลี่ยนมันมีข้อแม้อยู่ข้างในลึกๆบางทีมันไม่ได้ออกมาในรูปของความคิดที่ชัดเจนนะแต่มันจะออกมาในรูปของความกนะั้มกึ่งลองนึกดูตอนที่คุณจะพยายามละนันทีเนี่ย มันจะรู้สึกเหมือนคาคาใจมันคาอยู่เฉยเฉยจะทิ้งก็ไม่ทิ้งจะยึดก็ไม่ยึดเรามาดองดูภาวะดีกว่าว่าไอ้ภาวะคาใจตรงนั้นครึ่งครึ่งกลางๆงตรงนั้นเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันเหมือนไปจดจ้องอยู่เฉยๆยจดจ้องอยู่ด้วยคำสั่งแบบสั่งไว้ก่อนลวงหน้าว่าทิ้งมันแต่ใจเนี่ยมันยังยึดอยู่ เพียงแต่ว่าไม่ได้ไปเสพเต็มที่ร้อยเอร์เซ็นตและไอภาวะครึ่งๆงกลางๆแบบนี้นะถามว่าดีหรือไม่ดีตอบเลยว่าไม่ดีเพราะวพามันจะสุกก็ไม่สุกพอสุกก็ไม่สดนะแต่ครั้นจะยึดให้ได้เท่าเดิมหรือว่าทิ้งมันออกไปมันก็ทำไม่ได้สักอย่างตัวนั้นที่ จริงๆแล้วเนี่ยที่น่าเป็นการเจริญสติแบบสมบูรณ์จริงๆนะที่พระพุทธเจ้าให้ไปบวชก็เพราะอย่างนี้คือท่านให้ทิ้งเรือนเลยทิ้งทั้งเรือนเลยไอ้นั่นแหละนันทินันทิตัวจริงเนี่ยคือเรือนทั้งเรือนนะมันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเรือนมันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราติดใจนี่พอเราตอบโจทย์ตัวเองได้ตอบคําถามตัวเองได้ว่าเราทิ้งเรือนได้ไหม ยงโอเคมันมีแว บ, บๆบ้างแต่มันมันรู้สึกถึงยางเหนียวที่ยุดติดอยู่ก็ตรงนี้นีเราก็ต้องบอกตัวเองว่าตรงนี้เนี่ยนันทิของจริงเนี่ยเราอย่างทิ้งไม่ได้แต่เราสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาค่อยๆเจริญสติขึ้นไปตามลำดับเท่าที่ภาวะปัจจุบันจะอำนวย การที่เป็นคาราวาสแล้วเสร็จล้วไปตั้งสเปกนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องละนั่นไม่เอานี่เดี๋ยวต้องไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พูดง่ายๆทำตัวเหมือนพระเหมือนชีแต่เสร็จแล้วใจอ่ะมันยังไม่ใช่พระมันยังไม่ใช่ชีอ่ะทำอยู่เป็นสิบปีมันก็รู้สึกเอ๊ะมันก็ละไม่ได้จริงๆสัก ท, ทีเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า ตอนที่จะทิ้งเหนือไม่ทิ้งนันทีเนี่ยเขาพิสูจน์ใจกันด้วยเรื่องของการทิ้งเรือนได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่ทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าทิ้งเรือนไม่ได้นะไม่ต้องพยายามละละนันทีมันมันละไม่ได้หรอกแต่เราสามารถที่จะเห็นณเวลาที่เราเข้าไปติดใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าอาการมันยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าน้อยลงเรื่อยๆ ตัวนี้มันตัววัดแท้ๆเลยนะตัววัดนันที่ว่ามันเอาออกไปได้แค่ไหนแล้วจากใจของเราถ้าสิ่งที่เราติดใจแม้กระทั่งสิ่งที่เราติดใจเรายังสามารถจเจริญสติเห็นภาวะความยุติติดภาวะความชอบภาวะความเบือ่อภาวะความไม่เท่าเดิม ของสขเวทนาที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเส็บติดมันก็ไม่มีอะไรในโลกที่เราจะใช้เจริญสติไม่ได้เราใช้นันที่ในการเจริญสติได้อย่างเดียวนะใช้ทุกอย่างที่เหลือเนี่ยในการเจริญสติได้เช่นกันไม่งั้นเนี่ยมันไปจ้องอยู่เฉยๆว่าจะทิ้งหรือไม่ทิ้งแล้วก็แฝงอยู่ตรงนั้นนะ่มันมาแช่อยู่ตรงนั้นนะ่แช่แฝงอยู่ตรงนั้นนะ่ในอาการอยากทิ้งแต่ใจยังเอา ในราการพิจรารณาในประจาําตันนี้ถ้าเราดูเวทนาแล้วก็ถึง ม, มีอาการติดใจชอบถ้าเรามองไปในมุมที่ว่าก็เนื่องจากมีภาษาเป็นปัจจัยทําให้เกิดมีความก็ได้ก็ได้แต่มันเป็นการพิจารณาชั่วคราวมันไม่ใช่การที่เราจเจริญให้เจะเดิญสติให้มันมีความเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจริงๆ คือคือพอพิจารณาเอาเฉพาะตามตามโจทย์ที่คุณถามนะมันมันเหมือนไปพิจารณาทีละส่วนแต่การจะรินสติที่แท้จริงจำไว้เลยชัยภูมิมันเป็นที่สุดมันเป็นที่ตั้งมันต้องเริ่มขึ้นจากขอบเขตของกายใจนี้ก่อนภาวะที่มันกำลังปรากฏเด่นอยู่ในกายใจนี้เป็นยังไงอย่างตอนที่จะเข้าถึงอายตนปะปภะที่พระพุทธเจ้าให้ดูนะว่า ตาประจวบรูปแล้วเกิดสังโยชน์แบบใดนหูประจวบกับเสียงแล้วเกิดสังโยชน์แบบใดมันมีความติดใจแค่ไหนนั่นเองท่านก็ให้พิจารณาว่าเออเนี่ยไอ้สังโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมันเบาบางลงไหมเมื่อเราเห็นตัวความติดใจนี่อย่างที่คุณถามเนี่ยคือมันตั้งต้นจากความคิดมันไม่ได้ตั้งต้นจากภาวะการที่จะตั้งต้นเริ่มตั้งต้นจากภาวะได้เนี่ย คือมันต้องมีสติเข้ามาหนาแน่นก่อนมันต้องมีความเต็มที่ตรงนี้ก่อนมันจะเริ่มเห็นกายเบาใจเบาแล้วแล้วเห็นว่าในกายเบาใจเบา น, นี้เนี่ยพอหันหน้าไปอ้าวนี่คนนี้เราชอบมากเราถูกใจมากเราพิศวาสมากรู้สึกอาการวูบพิศวาสขึ้นมาทันทีจะเป็นลูกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วเห็นอาการพิศวาสตรงนั้นเนี่ยว่าเออปรากฏขึ้นเมื่อตาประจวบรูป มันมีแรงดึงดูดนี่แล้วเห็นในะความพิสวาดตรงนั้นเนะี่ยมันหายไปให้ดูณนะขณะที่สติมันเท่าทันนี่อย่างนี้เรียกว่าอายตนะปัพะคือมันไม่ต้องพิจารณาเลยตัวตั้งมันมีขึ้นมาแล้วเราทำความเข้าใจไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยว่าจะเห็นโดยความเป็นอย่างไรเห็นว่ากระทบแล้วเกิดความพิวสวัดจาไว้เลยว่า ไม่ใช่เห็นแล้วไปพยายามที่จะไม่ให้ความพิศวาสมันเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกธรรมชาติกระทบปังรู้สึกพิศวาสเห็นความพิศวาสปรากฏขึ้นนะแล้วมันครอบงาจิตอยู่ชั่วขณะหนึ่งเราเห็นภาวะครอบงาจิตยังรู้สึกรู้สานะยังมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้ล้วเห็นไอ้ภาวะพิศวาสตรงนั้นเนะี่ยมันค่อยๆ ค, ค, คลายตัวไปหรือในทางกลับกัน พราะเราดูเข้ามาเกิดความรู้สึกความทิสวรรดมันยิ่งใหญ่โตขึ้นไปอีกนะเพราะว่ามันยิ่งอินมากเข้าไปอีกตัวนี้ก็ให้ยอมรับตามจริงว่าสังโยชน์มันกำเริบขึ้นความร้อยรัดความยุติดิดมันหนาแน่นมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าสติจเจริญขึ้นเช่นกันคือไม่ได้หมายความว่าสติจเจริญขึ้นแล้วกิเลสหายทันที แต่สติเจริญขึ้นแล้วเห็นความไม่เที่ยงที่มันปรากฏในขอบเขตของปฏิกิริยาทางใจที่มันปรากฏตามจริงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมคือมันพิจารณาถูกถูกทิศถูกทางก็จริงนะแต่ตอนที่เห็นเนี่ยมันเห็นด้วยความคิดมันไม่ใช่เห็นด้วยสภาวะที่มันกำลังปรากฏให้ดูจาไว้ว่าถ้าหากเห็นถูกทิศถูกทาง ตรงตามที่พระพุทธเจ้าอยากให้เห็นจริงๆเนี่ยนะอย่างภาวะสังโยชน์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังโยชน์ในรูปแบบไหนพิศสวาส์อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นจะรู้สึกเข้ามาแล้วพอมันหายไปเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกรู้นรู้ตัวแบบที่มีความว่างจากอุปทานว่างจากการยึดติดแต่ที่ผ่านมาเห็นไหมบางทีมันยังยึดอยู่ ว่าเรากำลังปฏิบัติมันมีตัวตนของผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเห็นสังโยชน์เกิดขึ้นแล้วหายมันกลายเป็นความรู้สึกว่างๆอย่างนั้นให้อาศัยเป็นเครื่องวัดได้ส่วนหนึ่งว่าเนี่ยตรงนั้นน่าจะมาถูกทางนะโอเคครับเชิญครับ อาจารย์คเออเป็นครั้งแรกนะคะตัวเองอะะนะะในชุดประจำวันก็คือพยายามข่มจิตข่มใจนะะอาจารย์แต่บางครั้งเหมือนกับจิตมันถูกบีบคั้นนะคะหรือบางครั้งก็คือเหมือนกับอย่างที่น้องที่พูดคนแรกนะบอกว่าสภาวะจิตแต่ให้อาจารย์แนะนำค่ะ ของคุณที่ผ่านมามันไม่ใช่มันหดหูคนละแบบกันนะอันนี้มันเป็นมันนําขึ้นมาจากตัวลักษณะความไม่พอใจมันต่างกันอันนี้มันมันมันจะมีความรู้สึกร้อนมากกว่ามันมันเวลาที่หดหูคําว่าหดหูของคุณเนี่ยมันจะมาพร้อมกับ ความความเศร้าคือความเศร้าว่ามันไม่ได้อย่างใจเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการสักทีคือคล้ายๆใจมันชอบรออยู่ชอบหวังอยู่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วพอมีอะไรมากระทบใจรู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่หวังมันจะมีอะไรร้อนๆขึ้นมาพุห่หนึ่ง คือไม่ต้องเป็นนิยามว่าโกรธหรือไม่โกรธนะแต่มันจะร้อนๆมันจะเศร้าๆมีความมีอาการอมเศร้าอยู่อาการอมเศร้าหมายความว่างไงมันมันคล้ายๆมันมีความสลดสลดในสิ่งที่เราหวังจะได้หรือหวังหวังจะให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นคืออย่างกันอย่า ง, อ, างอันนี้เขาครอบหัวคือมีความเคยชินที่จะ ปล่อยให้ตัวเองเข้าอยู่ในโหมดเสื่องซึมแต่ของคุณมันเศ้าหมองมากกว่าคือมันตั้งอยู่ด้วยอาการคาดหวังมองเห็นไหมเวลาเราคาดหวังมันจะมีอาการที่ว่าตั้งหน้าตั้งตาอ่อเสร็จแล้วพอมันไม่ใช่มันกลายเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือว่า อากตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยมันกลายเป็นแฟบลงมามันกลายเป็นความรู้สึกห่อเหี่ยวลักษณะความห่อเหี่ยวเนี่ยคือมันบางทีแก้ไม่ได้ด้วยการเจริญสตินะสําหรับบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพอยของเรามันคือการตั้งความคาดหวังไว้ก่อนจริงๆนึกออกไหมคือการเจริญสติเนี่ยทําให้เรารู้ได้แค่ว่าเรากําลังเศ้าหมองอยู่ หรือหดหู่อยู่แต่มันไม่สามารถไปสกัดกัน้นว่าครั้งต่อไปจงอย่าคาดหวังนะมันคนละประเด็นกันต้นเหตุมันยังอยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าเราหวังรอเราตั้งหน้าตั้งตารอเนี้เปลี่ยนใหม่ตรงที่ว่ายัางลองสังเกตตัวเองนะ เวลาตั้งหน้าตั้งตาร อ, อ, อวันทำบุญแล้วได้ทำบุญเนี่ยแล้วมันสำเร็จมันชื่นใจเห็นไหมคือของคุณเนี่ยถ้าตั้งหน้าตั้งตาไปในทางบุญทางกุศลทางจเจริญสติรอวันปฏิบัติทรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมันได้ขึ้นมาสมใจเนี่ยมันจะมีความสว่างเบิกบานแบบหนึ่งแต่ในทางโลกเนี่ยมันครึ่งๆกลางๆสิ่งที่อยากได้จริงๆ บางทีมันไม่ไม่ไมค่อยจะได้จะตำแหน่งหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเหมือนกับจะได้จะได้หลุดจากกรอบหรือว่าจะได้หลุดจากอะไรที่เรารู้สึกว่ามันปิดกั้นความสามารถหรือว่าไอ้ความสามารถที่จะแสดงความความรู้ความสามารถที่แท้จริงหรือว่าความเห็นอะไรแบบนี้นะมันมันอัดอั้นตันอู้อยู่ข้างในอะ่ะลึกๆว่า เนี่ยเราติดกรอบนี่พอเราพิจารณาว่าการคาดหวังทางธรรมของเรามักจะประสบความสาเร็จมักจะประสบผลก็ลองเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งไปะละกันว่าคาดหวังแล้วประสบความสาเร็จมีความสุขมีความเบิกบานเนี่ยมันมักจะมาในทางบุญมักจะมาในทางที่มัน เป็นกุศลเ ป, เป็นกุศลธรรมแต่พอคาดหวังในทางที่มันเป็นแบบโลกโลกมันได้บ้างไม่ได้บ้างและพอไอตอนไม่ได้เนี่ยมันคล้ายๆกับมีความหดถู่มีความอมทุกข์พอเห็นแบบนี้มันจะได้เกิดความรับรู้ภาพรวมทั้งหมดว่ามันมีทั้งสมหวังและผิดหวังขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังเลงไปทางไหน จะต้องยอมรับว่าเส้นทางแต่ละคนเนี่ยมันเกื้อกูลให้เราสมหวังไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยหวังอะไรทางธรรมนะพลาดหมดพลาดเป้าหมดแต่หวังทางโลกเนี่ยมีแต่รุ่งกับรุ่งเ ส, สร็จสุปอยู่ตุดท้ายก่อนตายเนี่ยถามว่าใครได้เปรียบมากกว่ากันคนที่ได้ทางธรรมนะมันสว่างกว่ามันมีความชื่นบานมากกว่ามันมองย้อนกลับมา แล้วเกิดความรู้สึกว่าเออชีวิตมันคุ้มค่ากว่าที่จะไปสมหวังทางโลกเพราะคนที่สมหวังทางธรรมบ่อยๆเนี่ยทางโลกจะรวยแค่ไหนไม่รู้นะแต่ทางธรรมเนี่ยมันรู้สึกอุ่นใจแน่นอนมันรู้สึกว่าเราอุ่นหนาฝาข้า่งมีพอมีพร้อมมีสมบัติอะไรบางอย่างที่เป็นของภายใน ที่ทำให้อิ่มใจแล้วไม่กลัวของกุญจใจลึกๆมันมีความสุขเนะี่ยใจลึกๆนะเราจะรู้สึกว่าเออมันมันก็มีความสุขอยู่แล้วเพียงแต่ ว, ว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้บอกตัวเองว่าอยากได้บางทีมันมักจะพลาดเป้าสิ้นปีทีพลาดเป้าทีอะไรแบบนี้นะหรือจะเรื่องอื่นเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องคนเรื่องเนะย คนไทยนี่พลาดเป้ากันทุกครึ่องเดือนมีอาการพลาดเป้าทุกลนทุลายกันทุกครึ่งเดือนอันนี้ของของเราไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยคงไม่ใช่เนาะโอเคครับกลับสวัสดีอาจารย์ค่ะคือหลังๆอะค่ะเวลาที่นั่งสมาธิอะค่ะจะมีปัญหาเรื่องปิติคือทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าแบบ มันจะน้ำตาไหลแล้วก็มันก็จะเหมือนกับมีความสุขมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เวลาที่นั่งก็เหมือนกับก็ดูเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนจนจ น, จนเหมือนกับว่าเขาก็มันมาเป็นวูบวมันไม่ได้มาตลอดเวลานะตรงเนี้ยดีแต่ถ้า<ต>ถ้ามันมาเป็นวูบๆเนี่ยเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ค่ะแต่ปัญหาของหนูก็คือว่า คือก็นั่งดูเขาไปใช่ไหมคะจนจนเหมือนกับเอ้ยมันก็ดับก็ก็เห็นว่าเออมัน ก, มนก็มันก็มีเวลาของเขามันมาเป็นะระลอกใช่ค่ะแต่ปัญหาคือหลังๆนี้คือมาทุกครั้งที่นั่งสมาธิดีอ๋อดีเหรอคะที่เ<ก> <ผม S 2> รามองอยู่เนี่ยก็คือว่ามันเป็นภาวะที่ปรากฏเด่นไงมันแตกต่างจากภาวะธรรมดาในชีวิตปกติค่ะเนี่ยแล้วมันมาแล้วก็มาแล้วก็หายมาแล้วก็หายเป็นบู้บูเป็นระลอกระลอกเนี่ยบางทีเป็นระลอกใหญ่ บางที<ช>เป็นระลอกเล็กๆแต่มันมาทุกครั้งเลยค่ะดีเ ป, เป็นของดีจำไว้ว่าทุกสภาวะถ้าหากปรากฏเด่นปรากฏผิดปกติแล้วมันมันเกิดบ้างหายไปบ้างเนี่ยตัวเนี้เป็นภาวะที่เขาอุตส่าห์มาแสดงแล้ววันนี่นะอันนี้จังหน้าตาเป็นแบบนี้แทนที่เราจะไปดูมันเฉยๆเนี่ยมันกลับกลายไปเป็นกังวลกลัวว่าเดี๋ยวจะติดบ้างกลัวว่าเดี๋ยวมันจะขวางความก้าวหน้าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปไกลกว่านี้ กัวเดี๋ยว<ไ>แบบที่ครูบาอาจารย์ทักมานะจำไว้ว่าตราบใดที่เราไม่ได้คาดหวังนะว่าจะให้มันปิติแต่มันปิติขึ้นมาแล้วแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นจำไว้เนี่ยเขามาให้ดูไม่ใช่มาให้กังวลแล้วก็เพราะตอนแรกนี่ว่าเหมือนมันโดนหลอกอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเนี่ยพอพอเห็นนะว่ามันวูบขึ้นมามันปิติมันซ่าสั้นมัน เหมือนกับน้ำพุที่มันพุ่งออกมาชุ่มฉ่ำเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วแป๊บๆมันก็หายไปเป็นละลอกละลอกเนี่ยเราก็ดูแค่เราไม่กังวลไม่เ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวจะวาดจิตให้ดูนะตอนแรกเราปิติขึ้นมาสว่างขึ้นมาดีๆอยู่แล้วเนี่ยมันมีอะไรมืดๆในหัวที่เป็นความคิดกลัวว่าเดี๋ยวจะปิติดแล้วเสร็จแล้วเราไม่เห็นในตัวมืดๆตรงเนี้ยแล้ว ไ ม, ไม่ให้ปิติเนี่ยมันมันพุ่งไปสุดทางพอปิติหายไปเราก็ไปกังวลอีกเอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอายังไงเห็นไหมมันทั้งตอนขามาแล้วก็ขาไปเนี่ย <c oughs> มีตัวเนี่ยมาล็อกอยู่สรุปแล้วเนี่ยไอตัวที่มืดๆตรงนี้เนี่ยนะตัวนี้แหละที่เรียกว่า น, นิวรณของจริง <c oughs> คือเวลาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าปิติอย่าไปหลงมันเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าท่านพูดว่าอย่าไปให้มันเกิดคือให้มันเกิดเถอะปล่อยให้มันเกิดถ้าหากว่ามันมีเหตุปัใจจัยให้มันเกิดเพราะภาวะทำทุกอย่างถ้าเราไปบล็อกมันไว้ถ้ า, าไปตั้งใจวิโลงนาว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เกิดอันนี้ควรเกิดอันนี้ไม่ควรเกิดเนี่ยเนี่ยมันจะมากระจุกอยู่ตรงนี้ความกังวลเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะอยู่ในภาวะรู้ตื่นเต็มที่เป็นดวงสว่าง มันมาล็อกอยู่ตรงนี้มืดๆเดี๋ยวลองไปสังเกตดูไอ้ความกังวลเนี่ยมันจะเหมือนมีอะไรมืดๆขึ้นมาอยู่ในหัวเพราะว่าตอนที่มันมันเกิดระยะหนึ่งแล้วก็ยอมรับว่าหยุดทําสมาธิไปเลยค่ะคือหยุดไปเป็นแบบเกือบเดือนนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พอไปห<ด>น้าเริ่มเลยนะเดือนหนึ่งที่หยุดไปเนะี่ยถ้าเราดูนะเออเนี่ยมันต่อให้ปิติเป็นชั่วโมงนะ คือยอมให้มันเกิดไปเลยทั้งชั่วโมงเนี่ยตราบใดที่เรามั่นใจว่าเรามีสัมมาทิฏฐิประกอบอยู่ในจิตเราจะดูอยู่รู้อยู่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังหนึ่งชั่วโมงมันค่อยๆซา ต, ตัวลงเราเห็นความไม่เที่ยงของมันเนี่ยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันประกอบของเราอยู่แล้วแล้วพอเห็นมันมันก็ทุกอย่างมันก็หายไป โดยที่ใจเราไม่ยึดมั่นหรือมั่นไม่เสียใจไม่ดีใจตัวนี้ตั้งหากที่มันเป็นอาการเต็มของจิตที่มันมีอาการรู้อยู่เห็นอยู่เห็นไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันล็อกอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยพูดไปเนี่ยรู้สึกไหมมันเหมือนกับมีะบอะไรที่มันมาบล็อกอยู่แค่ตรงเนี้ยถ้ามองเป็นภาวะไม่ไม่มองนะว่าเราคิดอะไรน ะ, ะมองเป็นภาวะสว่างภาวะมืดเนี่ยเนี่ยมันจุกอยู่ตรงเนี้เหมือนจุก ก, ก๊อ ก, กมาจุกไม่ให้มันเพราะว่าในใจลึกๆมีความรู้สึกเหมือนกับว่า กำลังโดนหลอกอะค่ะอาจารย์คือไปฟังครูบาอาจารย์บางทีเนี่ยนะท่านท่านบอกไว้มันไม่ใช่หมายความว่าอาห้ามทำห้ามไม่ให้เกิดห้ามน้นห้ามนี่แต่ว่าเกิดแล้วขอให้ดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านตรัส้วยเองเลยนะอฌ า, านเป็นของที่ไม่น่ากลัวแต่เป็นของที่ควรทําให้เกิดแต่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดูให้มันถูกก็แล้วกันเอ อย่างท่านสอนจิตตานนปัสสนาเนี่ยจิตใหญ่เป็นมหาทุกนะเป็นเป็นฌานจิตมีความเป็นใหญ่นะถอพอถอดออกจากจิตโดยความเป็นอย่างนั้นนะก็กลับมาสู่สภาพปกติเป็นจิตปกติท่านก็ให้ดูความต่างนะไม่ใช่ให้ให้มัวแต่ ก, กลัวอย่านงะนี้มันไปไม่ถึงฌานครับเพราะมัวแต่ ก, กลัวเนี่ยมันมันอยู่เฉดเฉดอุปจารสมาธิบ้างอะไรบ้าง จริงคือแบบในการปฏิบัติพอมาถึงยุคนี้เนี่ยมันมีความสับสนได้ง่ายนะคือถ้าไม่เตือนไว้เลยส่วนใหญ่ก็หลงไปแต่พอเตือนไว้มันก็เหมือนกับกลายเป็นข้อกังวลว่าพอไปถึงตรงนั้นตรงนี้มันจะเจอกับดักหรือเปล่าทำไปเถอะไอ้ที่มันตรงทางเนี่ยนะนะ แล้วก็แน่ใจกันแล้วกันว่ามีสัมมาทิฏฐิประกอบอยู่กับจิตเราจะไม่ติดใจเพราะเห็นอยู่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้น ย, ย่อมดับลงเป็นธรรมดาไม่ว่าสิ่งนั้นจะตั้งอยู่เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนบางคนเนี่ยสติเกิดขึ้นต่อเนื่องเลย4วันนึกว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วจริงจริงแล้วมันก็คือผลดีนะผลดีของการเจริญสติมาอย่างถูกต้องจนกระทั่งจิตเนี่ยเป็นอัตโนมัติอยู่4ี่4วัน4ี่วัน4ี่คืน ในของถูกเนี่ยมันกลายเป็นของผิดก็ตรงความเข้าใจผิดนั่นแหละมันไม่ใช่ตรงภาวะที่ถูกขอบคุณค่ะอา จ, จารย์อาจารย์นะครับก็คือว่าชวนที่ผมนั่งสมาธินะครับก็มันจะอยู่ในติต ท, ที่ปกติแล้วก็นิ่งแล้วนะก็อยู่กับตัวแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของปัจจุบันมันเข้ามามันก็ทําให้เราคิดไปเรื่อยๆ พินาราไปนะครับใช่แต่พอเวลาที่ตติไปเรื่องของตติฟุ้งซ่านหรือเกิดจากการจินตนาการผมก็พยายามตบๆเข้ามาให้มาอยู่ในอยู่กับตัวเองต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่ผมอยากจะถามก็คือว่าบางทีเดี๋ยวที่ผมนั่งเนี่ยนะครับมันมีการโยงไปถึงเรื่องอื่นอย่างเช่นใช่อย่างเช่นเรื่องของการนั่งสมาธิบางทีผมเคยขาแพงแล้วผมไปนึกถึง หมาที่ผมเคยเยียบทับเป็นต้นอย่างเงครับไม่ทราบว่ามันเป็นเรื่องของจิตคิดไปเองหรืออะไรยังไงะครับตรงนี้ก็อยากจะขอคำปรึกษาอาจารย์ครับอย่างบางทีไปขับรถทับหมาหรือว่าอะไรเงี้ยเราดูเจตนาคือคือทุกครั้งที่มันแวบเข้ามาเนี่ยถือเป็นโอกาสทบทวนคือระลึกไปเลยชัดๆเลยว่าณเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวปิดใหม่แป๊บนึง ระลอกให้ชัดๆยอมกลับไปว่านาทีนั้นวินาทีนั้นชั่วขณะนั้นเนี่ยเจตนาของเราเป็นอย่างไร <Yeah. S 1> เจตนาของเราขับไป <Yeah. S 1> คือถ้าประมาทยอมรับว่าประมาทไม่ได้ประมาทเลยแต่หมามันวิ่งเข้ามาเองก็ทบทวนให้ชัดๆณ <Yeah. S 1> เวลานั้นมันจะได้เคลียกลับไปเห็นเจตนาของตัวเองว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลเราประมาทหรือว่าไม่ประมาท ถ้าหากว่าเห็นชันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความกระจางแจ้งขึ้นมาทีละครั้งทีละหนขนคือแวบเข้ามาเมื่อไหร่เราทําเมื่อ น, นั้นเนี่ยถ้ามันแวบเข้ามาร้อยหนมีโอกาสทบทวนเจตนาร้อยหนคือบางทีเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนกับทำไมต้องมาทําเรื่องซ้าๆแต่จิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันไม่ลืมแล้วก็แวบกลับมาอยู่เรื่อยๆถ้าแวบกลับมาเรื่อยๆแปลว่ามันยังไม่พอมันยังไม่อิ่มแล้วก็ต้องทบทวนต่อ ว่าเออเนี่ยมันมีจตนาอย่างนี้นะแล้วมันจะได้จบได้มันจะได้กลายเป็นเครื่องรบกวนที่หายไปไม่งั้นอันนี้เข้าใจคือเวลาที่เริ่มจะเข้าสมาธิอะไรเงี้ยมันชอบเหมือนกับมากังวลว่าตัวเองมีมณทินหรือเปล่านี่สำหรับบางคนเนี่ยควรจะแค่รู้แล้วก็ผ่านไปแต่ของคุณเนี่ยมันอาจจะจำเป็น ที่ว่าเราทบทวนเจตนาณขนาดนั้นไม่ว่าเรื่องไหนเลยอันนี้แค่เรื่องหมาเรื่องเดียวแต่แต่เรื่องไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามารบกวนจิตใจแล้วทําให้เรากังวลว่าเราจะไม่บริสุทธิ์มากพอที่จะก้าวหน้าต่อไปเราลึกเข้าไปณจุดเกิดเหตุว่าเจตนาของเราเป็นอย่างไรนะถ้าสมมุติว่ารับรู้เข้าไปแล้วเนี่ยเอ อ, อตรงนั้นเนี่ยตั้งใจไม่ดีจริงๆก็เห็นเข้าไป เพื่อที่จะบอกตัวเองว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นอีกไม่เกิดเจตนาแบบนั้นอีกถ้ามันเข้ามาอีกสิบรอบร้อยรอบเราก็ทบทวนสำทับซ้ำเข้าไปทับถมเข้าไปว่าเราจะไม่ทาอย่างนั้นอีกไม่กลับเข้าไปสู่เจตนามืดแบบนั้นอีกแล้วถ้าถ้าในผมนปกติก็มีโอกาสได้นั่งอยู่บ้างนะครับ หรือว่าไม่ไม่ต้องนั่งก็ได้ครับคือจะมีในช่วงที่ผมอยู่นิ่งๆพยายาม ท, ทําจิตนิ่งๆเนี่ยบางทีมันมีเรื่องของปัญหาปัจจุบันเข้ามาเข้ามาในเข้ามาในหัวแล้วเราก็พยายามจะคิดว่าปัญหาอยู่ตรงไหนสาเหตุคืออะไรตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการปล่อยใจเกินไปหรือเปล่าหรืว่าต้องคุมให้อยู่ทั้งหมดว่าเราต้องไม่คิดอะไรเราต้องอยู่นิ่งเพราะเพราะว่าที่ผมคิดไปเนี่ยคือเพราะมันจะเป็นภาพเมื่อผมจะสุดท้ายมันก็จะเป็นคําตอบ อ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองโอเคในช่วงนี้มันยังอยู่ในภาวะสองแพร่งเดี๋ยวปิดไม้นิดหนึ่งนะปิดปิดไม้นิดหนึ่งพอดีมันมีเสียงซ่าๆาแทรกคลื่นคลื่นมันแบบชนกันภาวะของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันคือว่ายักแย่ยักยนันระหว่างที่ว่ามันจะสงบนิ่งเข้าสู่อารมณ์สมาธิ กลายอีกภาวะหนึ่งที่มันคอยกังวล น, นั่นกังวล น, นี่ช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันอดคิดไม่ได้ก็ให้มันคิดไปเสร็จ แ, แล้วหลังจากคิดเนี่ยสำรวจใจตัวเองว่าสบายใจแล้วหรื อ, อยังถ้าสบายใจแล้วก็นั่งสมาธิต่อทอย่าไปมองว่าวิธีที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันผิดหรือถูกแต่เอาตรงว่า มันเป็นเส้นทางของเราที่เราต้องผ่านมาแบบนี้นะคือว่าพอจะเข้าสมาธิมันชอบมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มาแย่งสมาธิมาคิดให้ตกประเด็นก็คือข้อแรกอย่าเป็นกังวลว่า น, นี่ทาผิดหรือถูกข้อ2ถ้าคิดคิดให้สุดแล้วสำรวจใจนะจากนั้นข้อ3าก็คือพอรู้สึกว่าสบายใจแล้วเคลียร์แล้ว ก็กลับมาทำสมาธิต่อตรงนี้เนี่ยมันจะติดนิสัยแบบนั่งสมาธิไปแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออนิสัยทางการคิดเนี่ยมันคิดคิดแล้วคิดตกอนี้มันยังคิดไม่ตกไงมันเป็นคนที่ว่าพอคิดเนี่ยโอเคบางทีโดยเหตุผลโดยตรกะมันเหมือนกับเราคิดได้ แต่ใจไม่ยอมรับจริงใจยังคอยติดอยู่เพราะฉะนั้นก็อาศัยขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยแหละมันย้อนกลับมาเนี่ยเราก็คิดให้สุดแล้วสํารวจใจตอนหลับตาเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบไอตอนลืมตาตรงนี้ว่ามันสามารถเห็นไงว่าเนี่ยสบายใจแล้วหรื อ, อยังหรือว่ายังแหวงแหว ง, ว, งวิ่น ว, นวินอยู่หรือว่ายังมีความไม่สบายใจอยู่แค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์มันสามารถวัดได้ พอวัดได้พอเห็นได้ว่านี่สภาวะทางใจของเรามันปลอดโปร่งแล้วหรือยังไม่ปลอดโปร่งหรือยังมีอะไรเคลือบแฝงอยู่มันก็จะได้เกิดการเทียบวัดแต่เดิมเนี่ยมันเทียบวัดอาการทางใจไม่เป็นแต่พอนั่งสมาธิแล้วเรามาคิดมาสำรวจมาวิเคราะห์อะไรเหตุการณ์เก่าๆเนี่ยแล้วมาลงเ อ, อย่ยลงที่ถามตัวเอง นี่สบายใจแล้วหรือยังสบายใจไปประมาณครึ่งหนึ่งหรือเปล่ายังเหลืออีกสักเสี้ยวหนึ่งหรือเปล่าหัดหลังเกตหัดชั่งน้ำหนักแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเห็นสภาวะทางใจแล้วมันจะเริ่มพอใจในคำตอบอีกแบบหนึง่งคือไม่ใช่คำตอบจากความคิดเพราะความคิดของเราเอาชนะความรู้สึกไม่ได้นี้พอในสมาธิความรู้สึกมันปรากฏชัดเด่นกว่าความคิดมันก็จะได้พอ รู้สึกว่าโอเคเราล็อกไว้ตรงนี้ตรงความรู้สึกสบายใจหรือไม่สบายใจนะสวัสดีค่ะกาบเรียน ค, ครับไม่เป็นไรครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอะค่ะ แล้วก็คำถามยังไม่มีเพราะว่าขออนุ ญ, ญาตนั่งฟังขอบคุณค่ะแบบนี้เลยนะมันไม่มั น, มมนอาจจะไม่ค่อยดีคือมันเดินทาาไกลไ ป, ป น, นิดหนึ่งถ้าเอียงแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าเต็มที่ ผมก็ครับผมก็ปฏิบัติมาสักพักนึงนะครับจริงๆเคยเจอพี่ตูนอยู่เมื่อสามปีที่แล้วก็ตอ น, นเพิ่ ง, <c oughs> เพงเริ่มสนใจธรรมะครับแล้วก็ก็ก็ปฏิบัติมาสักพักหนึ่งได้เข้าวัดอะไรเงี้ยครับก็เลยจะถามว่าที่ทําอยู่เนี่ยมันโอเคถูกไหมแล้วก็มีอะไรที่ขาดตัวบทพ้องที่ต้องปรับปรุงเป็นพิเศษแล้วก็เต็มที่เลยครับอยากอยา ก, อยากจะ พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นของเราเนี่นะคือให้ไปสังเกตว่าเราเป็นคนที่บางทีเนี่ยสมมติเราไม่พอใจใครเงี้ยมันคิดมากแล้วจำแม่นมันมีอาการเหมือนกับเก็บสมมติว่าเราไม่มีโอกาสพูดณนะจุดเกิดเหตุที่เราไม่พอใจ เราจะเก็บไว้ในเก็บไว้ในใจทำนองเดียวกันกับความรู้สึกคาดาแค้นแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเอาคืนหรือว่าจะไปทำอะไรรุนแรงนะแต่นึกออกไหมบางทีนะเราไม่พูดก็จริงไม่แสดงออกก็จริงแต่อาการทางใจของเราเนี่ยมันเหมือนเก็บแน่นเก็บความแค้นไว้ฝังไว้แน่น เข้าใจความรู้สึกตรงนี้ใช่ไหมแต่เจตนาบางทีไม่ได้จะเอาอะไรคืนนะไม่ได้ไปคิดว่านี่เดี๋ยวจะชกมันหรือว่าไปทําให้มันเจ็บปวดหรือว่าไปแก้คืนนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยมัน เ, เริ่มไม่อยากมีเรื่องไม่อยากยืดเยื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่ใจเราเจ็บใจเราจําใจเราฝังแน่นตรงนั้น น้องนึกออกใช่ไหมที่พูดถึงภาวะยังไงคือมันมีความรู้สึกแน่นๆอยู่ในใจจุกๆอ่ะอขาจะเกิดขึ้นบ่อยๆบางทีตัวเนี้ยคือสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นบ่อยสิ่งนั้นเราเอามาเจริญสติแล้วเราจะได้สติมันจะได้เจริญขึ้นนะยิ่งบ่อยเท่าไหร่สติยิ่งเจริญขึ้นมากขึ้นเท่านั้น ขอให้น้องดูตัวภาวะที่มันรู้สึกเก็บอัดหรือว่ากดดันเราเราจะรู้สึกว่าหน้ามืดเหมือนโลกมืดพอหน้ามืดอย่างเดียวโลกทั้งโลกมืดหมดมันมีความรู้สึกเหมือนกันโลกเนี่ยแคบลงเห็นไหมมันแตกต่างอย่างตอนนี้เยอะเลยตอนนี้พอเราพูดถึงภาวะนั้นน้องรับรู้ มันกลายเป็นเปิดกว้างโล่งเลยนี่แสดงว่าจิตแรงใช้ได้นะเนี่ยคือมันมีกําลังเหมือนคลายแล้วมันโล่งด้วยมันโล่งกว้างด้วยแล้วก็ตามดูไปว่าอ๋ออันนี้คือการดับของมันถูกไหมครับใช่แล้วเราบอกเปลี่ยนจากมืดเป็นสว่างเปลี่ยนจากคับแคบมากๆกลายเป็นโล่งครับแล้วแล้วคราวนี้ ตรงนี้เนี่ยเราพิจารณาไตราลักษณ์ลงไปได้เลยใช่ไหมครับว่าไม่ไม่เกี่ยวออตอนพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยมันมี2ระยะที่เหมาะสมที่จะให้พิจารณาไตรลักษณ์หนึ่งคือตอนที่เราเริ่มฟังเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าไตรลักษณ์อย่างเช่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงนะแลวอะไรบ้างที่ไม่เที่ยงตัวนี้เป็นภาวะที่เหมาะสม กับอีกภาวะหนึ่งคือจิตของเราเป็นสมาธิแล้วแล้วเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นการแสดงตัวของไตรลักษณ์อย่างชัดเจนแต่แบบนี้เขาเรียกว่าอยู่ในวาวะอยู่ในช่วงที่ควรแค่เปรียบเทียบเฉยๆอย่าเพิ่งไปจ้องมองว่าไตรลักษณ์มันอยู่ตรงไหนยิ่งจ้องมันจะยิ่งไม่เห็นเราแค่เปรียบเทียบไปก่อนเนี่ยอย่างที่พี่ชี้ให้ดูว่าตอนมืดตอนอัดแน่นตอนที่มันเก็บอัด หน้าตามันเป็นแบบนี้มันจะรู้สึกเหมือนโลกแคบแล้วพอพอเราดูเข้ามาในตัวเองปุ๊บเนี่ยมันนึกออกว่าไ อ, อ้ภาวะนี้มันเกิดบ่อยบ่อยเนี่ยมันกลายเป็นอีกแบบหนึง่งน้องแค่เห็นก็พอว่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันและยิ่ง เ, ออเราไปเอาไปทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยไอ้ความเห็นเปรียบเทียบตรงนี้สติมันจะค่อยๆมีกำลังแล้วก็รับรู้ไปเองว่าตอนที่มันเปลี่ยน มันเปลี่ยนตอนไหนมันจ ะ, สะแสดงอาการคลายอย่างเห็นได้ชัดคือไม่ใช่ว่าเราไปคิดว่า น, นี่เขาเรียกว่าไม่เที่ยงแต่ค่อยๆใช้อาศัยสติอาศัยจิตที่มันกำลังเห็นภาวะตอนหน้าต่อตามันเปลี่ยนไปให้เห็นอย่างชัดเจนมันแตกต่างไปให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นแหละเป็นเครื่องทำให้เจริญทำให้สติเจริญยิ่งเห็นจำไว้จำไว้ ยิ่งเห็นความแตกต่างบ่อยขึ้นเท่าไรตติมันจะยิ่งมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นมันจะเห็นความจริงนะมันไม่ใช่คิดเอาแล้วก็ของเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับถูกปิดกั้นไว้ด้วยเพดานบางอย่างนะพอเราพยายาม ทำสมาธิหรือว่าจเจริญสติก็ตามเนี่ยทําไปแป๊บหนึ่งมันจะหยุดมันจะเหมือนกับเข็นไม่ขึ้นยกตัวอย่างเช่นนั่งสมาธิเงี้ยถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกว่าแป็กอยู่แค่ตรงนั้นไปต่อไม่ถูกมันจะกลายไปเป็นภาวะฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนหรือว่ากลายเป็นภาวะที่ว่าเราอยากออกจากสมาธิแล้วก็ เป็นภาวะแบบนั้นซ้าแล้วซ้ําเล่าต่อไปเนี่ยคือให้ดูว่าตอนที่ใจมันเหมือนกับอยู่ในภาวะที่ไปต่อไม่ถูกอ่ะพอนึกอองไหยภาวะไปต่อไม่ถูกเป็นยังไงคือมันจะมันจะมัวมัวมันจะฟุ้งซ่านมันจะรู้สึกเหมือนไม่ก้าวหน้าขึ้นไปกว่านั้นแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือให้สังเกตภาวะนั้นให้เป็น ตรงนั้นคือเพดานที่มันทําให้เราไม่สามารถยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหมายว่าเช่นตอนที่นั่งสมาธิสมมติเริ่มสงบแล้วแล้วเริ่มมีเรื่องคิดขึ้นมาเรื่องฟงุ้งซ่านตอนให้พยายามมีสติก็จะให้เห็ น, หหนว่ า, วาตรงความฟุ้งซ่านหน้าตาเป็นไงไม่ใช่แค่ให้ดูไม่ใช่แค่ให้ตรักรู้ว่าตรงนั้นฟุ้งซ่านแล้ว แต่ให้ดูว่าความฟุงสั้นหน้าตามันเป็นยังไงของน้องเนี่ยหน้าตามันจะประมาณว่ามีอะไรวนๆอยู่ในหัวยุ่งๆแล้วก็รู้สึกว่าพอจะย้อนกลับมาทําสมาธิอ่ะมันกลับมาทําไม่ถูกนึกออกไหมมันติดเหมือนกับติดกับกับดักไปแล้วเหมือนกับเออดนอะไรมันงับไปแล้วเนี่ยแล้วขาเราก้าวต่อไม่ได้เข้าใจความรู้สึกนี้ไหมคือคือพอฟุ้งแล้วฟุ้งเลย กลับมาอยู่กับสมาธิอีกไม่ได้ไ okay. อ่านึกนึกออกใช่ไหมภาวะตรงนั้นเป็นไงแทนที่เราจะพยายามกลับมาหาสมาธิพี่ให้ทำอย่างนี้ว่ามองให้เห็นอาการปุ้งปั่นไม่หยุดในปั่นป่วนไม่หยุดเนี่ยว่าหน้าตามันเป็นยังไงมันจะเหมือนมีอะไรกระจุกอยู่ข้างในแล้วก็ยุ่งยุ่ ง, งแบบยุ่งไม่เลิกนะให้เราแค่สังเกตอย่ากลับมา พยายามทำสมาธิแต่ให้สังเกตวานนี้ตอนนี้ที่มันยุงย่งยุงย่งยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งอยู่มันกำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ครั้งนี้เมื่อหายใจเข้าหายใจออกครั้งต่อมาเนี่ยดูว่าไอ้ภาวะยุ่งยุ่งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าเป็นการเห็นความฟุ้งซ่านแล้วเปรียบเทียบว่ามันเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่าอ่อนกำลังลงที่ผ่านมาพอมันยุ่งยุ่งอ่ะ น้องจะสับสนอยู่กันว่าเออไปตามมันหรือไม่ก็พยายามดึงกลับมาเข้าใจพอยใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่เห็นว่าไอ้ภาวะยุ่งๆนะี่มันไม่เท่าเดิมในแต่ละลมหายใจความรู้สึกมันจะต่างไปเป็นคนละเรื่องเนี่ยอย่างเมื่อกี้ก็นึกออกว่าไอ้ความปุงขัานที่เ อ, อ่อเป็นตัวปิดกั้นสมาธิหน้าตามันเป็นยังไง เม่อเอใช่ไหมครับควารู้สึกเม่อเมื่อที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เมื่อไงมันคิดมันคิดแบบคิดมากอะ่ะคิดแล้วไม่มีเรื่องที่แน่นอนที่คิดด้วยนะหเหมือนกับในหัวของเราเนี่ยมีหลายๆเรื่องปนกันอย่างที่พี่บอกไง เ, เราเป็นคนเก็บกดมากเก็บกดแรงคิดแรงตอนที่เก็บไอ้นี่มันเก็บหลายเรื่องมันทั้งในบ้านด้วยทั้งที่ทํางานด้วย บางทีเรื่องแฟนเรื่องอะไรมันมันมันทุกอย่างพอเรารู้สึกเจ็บปวดเรืงรู้สึกว่าน้อยใจอารมณ์น้อยใจอะที่มันเก็บอัดนี่ก็รู้สึกว่ามืดเนี่ยตัวนี้เนะี่ยพอมาทำสมาธินะ่มันปรากฏเหมือนกันมันแย่งกันเข้ามามันชิงกันเข้ามาอยู่ในหัวเรานีเนื่องจากว่าเราเราฝังแรงหลายเรื่อง มันแยกไม่ถูกคือในหัวมันเหมือนจะมีเรื่องชัดๆเพราะมันพุง่งพุ่งมากไงดูเหมือนคนกําลังพุ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ชัดๆแต่ถามตัวเองมันเหมือนกับแวบเปลี่ยนเรื่องไปเร็วมากรู้สึกไหมตอนนั่งสมาธิอยู่อะ่ะมันเหมือนกับมีคลื่อนนบกวนมันเหมือนกับรู้แล้วว่าพุ่งสัน้น แล้วรู้ด้วยว่ากำลังบางทีเนี่ยพุ่งสร้างเรื่องอะไรแต่เรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ชัดเจนอยู่นานแป๊บหนึ่งมันจะมีเรื่องอื่นมาแทรกนี่แหละเป็นอาการของคนที่แบบเก็บเก็บทุกเรื่องด้วยน้าหนักเท่ากันคือมันไม่ไม่ได้แยกไงว่านี่เจ็บเรื่องนี้มากเจ็บเรื่องนั้นน้อยมันเจ็บทุกเรื่องนะเก็บอัดทุกเรื่องเข้าใจประเด็นเนี้เนี่ยอย่างตอนนี้ที่รู้สึกโลง่ง เพราะมันเหมือนกับมองเห็นไงว่าภาพความปุงสั้นเนี่ยมันเป็นความสับสนมันเป็นอาการชิงชิงกันของความพุ่งสั้นหลายๆเรื่องมันเลยโปร่งเพราะเห็นนี่เวลาเรานั่งสมาธิแล้วสามารถรู้สึกได้เออเนี่ยลมหายใจนี้พุงมากปุงน้อยเห็นความไม่เที่ยงของความปุงสั้นได้มันจะเริ่มรู้ ว่าแต่ละเรื่องที่เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีค่าจริงแต่ตอนที่เราฟุ้งเนี่ยเราจะยังรู้สึกอยู่ไงว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีค่าจริงเข้าใจที่พี่พูดป่ะชัดเจนน ะ, ะบางทีมันจะมีเหมือนอาการแบบเหมือนพผงะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ารู้แบบรู้แล้วเด้งๆอย่างเงี้ยครับอาการผงะใช่ไหมเป็นอาการของ การที่ว่าเนี่ยปมของเรามันอยู่ตรงนี้ไงคือจิตเนี่ยมันอัดแน่นอยู่ด้วยความยึดยึดแรงเวลาที่เจ็บเสร็จ แ, แล้วพอมานั่งสมาธิไอ้แรงยึดต่างๆเหล่านั้นบางทีมันดีดพึ่งออกมาเฉยเตอนที่จิตมันพยายามจะเป็นอิสระไงตอนที่จิตมันพยายามจะรวมตัวตอนที่จิตมันพยายามจะนิ่งตอนที่มันพยายามจะสบายขึ้นนี่ มันมันดีดผึงงออกมาดีดออกมาด้วยอาการคำว่าพังห่ะเนี่ยมาจากการที่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างอย่างรุนแรงจากอัดแน่นเป็นคลายออกจากอาการที่มันยึดมั่นถือมั่นเป็นการพยายามที่จะคลายเห็นความต่างใช่ไหมตอนที่พังอะเนี่ยลองทบทวนไปใจมันเหมือนเกือบๆจะสบายอยู่แล้ว มันเหมือนเหมือนจะเริ่มเปิดกว้างแล้วแต่มีอะไรสักอย่างหนึ่งคือมาทำให้ตรงนั้นมาสะดุดมันชะงักไปนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางใจนั่นเองคือใจเนี่ยมันยังไม่เปิดจริงมันยังไม่เหมาะสมที่จะผ่อนคลายที่จะวางได้จริงมันก็เลยแสดงอาการแบบนี้แต่ถ้าหากว่าในชีวิตประจวันเราเอาใหม่ เวลาที่เกิดความรู้สึกเก็บอัดเกิดความรู้สึกเหมือนหน้ามืดเนี่ยล้วเรารู้สึกถึงภาวะตรงนั้นตามจริงเลยเหมือนกับที่พี่พูดไปแล้วเราสามารถรู้สึกตามได้เนี่ยมันก็จะคลายออกณนะจุดเกิดเหตุเลยคือไม่ใช่เก็บอัดแล้วฝังแน่นอยู่ฝังอยู่เงียบๆถ้การทำสมาธิก็ดีการเจริญสติก็ดีเนี่ยมันจะแตกต่างไปพูดง่ายๆนะ เอาแค่จุดเดียวจุดที่เราจะเกิดความเก็บอัดเข้ามาเนี่ยรู้สึกถึงมันได้ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราได้เลยนะครับา้นที่ผมปฏิบัติในรูปแบบเช่นเดินจงกรมนักสมาธิหรือว่าสวดมนต์บ้างอเงี้ยมัน ตัวนี้เนี่ยพี่พี่ถึงบอกเนี่ยคือคือตรับใดตรบใดที่ยังมีอาการเก็บอัดอยู่เนี่ยนะจะนั่งสมาธิจะเดินจงกลมเนี่ยมันไม่สุดอย่างตอนเดินจยงกลมเนี่ยอย่าเดินกลมหน้าเพราะเดินก้มหน้ามันจะเป็นอาการเดินแบบคนคิดมากลองทบทวนดวูเจตนาของเราจะเดินจงกลมนะแต่โดยอาการทางใจเนี่ยเหมือนเดินไปแล้วก็ก้มหน้าคิดไป มันมันไม่ใช่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเดินเนี่ยเดินเร็วนิดหนึ่งอย่าเดินช้าเดินเงยหน้าสบายๆอย่าเดินด้วยอาการก้มหน้าแบบคนคิดมากแล้วก็เดินไปเนี่ยรู้สึกถึงเท้ากระทบเอาเพราะเท้ากระทบเนี่ยมันเป็นของจริงไม่ใช่ของที่คิดเอาความรู้สึกที่มันกระทบกระทบกระทบเนี่ยไม่ใช่จินตนาการแล้วก็ไม่ใช่ไปเพ่งไปฝืนว่าจะเอาเท้ากระทบชัดหรือว่าไม่ชัดอะไรแบบนี้นะ มันกระทบแค่ไหนส่งความรู้สึกมาแค่ไหนเราก็รู้สึกตามจริงอยู่แค่นั้นเหมือนกับที่เห็นลมหายใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้ า, เ, ขาเดี๋ยวมันก็ออกเราไม่ได้จินตนาการเอามันเห็นเอานะสวัสดีนะคะคราวที่แล้วที่อาจารย์แนะนำจำได้จ้ะค่ะแนะนำว่าก็คือให้คาดหวัว่าเราจะเห็นจะเห็นสิ่งเหล่านี้ร้อยครั้ง แต่ว่าไม่คาดหวังว่าจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปแห็นว่าตอนเนี้ยมันคนละเรื่องเลยเ อ, เออะจิตจินมันต่างไว้คือตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าก็เอาเอากลับไปทําประมาณเจ็ดถึงแปดวันนะรู้สึกว่าเอ้ยมันต่อเนื่องยาวนาแล้วเราไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่เราชอบหรือไม่ชอบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอยู่ได้จนเราเริ่มเหมือนกับชลาใจว่าเอ้ยดีจังเลยชอบสภาวะที่แบบไม่ว่าจะอะไรจะมาเราก็รับได้พอเจ็ดแปดวันปุ๊บหลังจากนั้นที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเหมือนกับมันโดนชก ชกอัดอัดออัดนัน่ น, น, นแล้วก็คือน็อกยาวไปเลยหลังจากนั้นสองสามวันก็คือเหมือนไม่ไม่มีพลังที่จะดูอะไรยอมไปมีอารมณ์อยากร้องไห้ก็ร้องไม่อยากพูดกับใครเลยถ้าเกิดจะพูดก็ม<ง><ง>ันเปิดออกไงใจเริ่มเปิดไงอันนี้คืออาการของใจเริ่มเปิดใช่ไหมคะย่างตอนเนี้ยถามว่าณเวลานี้วินาทีนี้เลยนะถามว่าใจเนี่ยอึดอัดหรือสบายสบายสบายมากเออ มันสบายมากอย่างเมื่อกี้ตอนนั่งสมาธิเราก็รู้สึกเออมันเหมือนกับใจเปิดใจกว้างสว่างไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไม่ได้คาดหวังว่าเราจะนั่งสมาธิให้ดีไม่ได้คาดหวังว่าเออเราจะเอาอะไรแต่ก่อนเนี่ยมันเอานู่นเอานี่นะ่าแต่ตอนเนี้ยมันคาดหวังแค่ว่าเราจะเห็นความจริงที่กำลังปรากฏอยู่จําไว้ว่าอาการหลุด อาการที่เจอหมากปราบเซียนนะเจอหมัดชกแบบตูมเดียวนะเข้าเชิงคางนี่แล้วลงไปนอนหงายยาวนี่ร้องห่มร้องให้อะไรก็แล้วแต่จำไว้ว่านั่นไม่ใช่จุดบอกว่าเรายังหวยอยู่หรือว่าปฏิบัติมาไม่เอาไหนแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเปิดจิตเปิดใจของเราไงที่ เดี๋ยวพูดอย่างนี้ดีกว่าคนเรายังไม่หมดกิเลสเนี่ยจะปฏิบัติทำมาแค่ไหนก็ตามจเจริญสติมาได้ผลเพียงใดก็ตามมันก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่เจอเรื่องกระทบที่มันมีความเศร้าหมองที่มันชวนให้เศร้าหมองแล้วมันสามารถที่จะสะลดโดทูเศร้าใจเกิดโทสะ เกิดอาการร้องไห้ได้ตามปกติแต่บางทีมันอาจจะชัดเจนเป็นพิเศษวันเลยค่ะในตอนที่เราเริ่มยอมรับสภาพไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้อัดไว้เราปล่อยว่าออยากเป็นอะไรก็เป็นอยากร้องก็ร้องเต็มที่เลยนั่นแหละแล้วมันก็ไม่หายหรือว่าเราไม่เราตามเหตุมันไม่ทันหรือไม่ทราบแต่ว่ามันมันนานอ่ะมันนานแบบทั้งวันหนึงสอ ง, องเวลาที่จิตตกเป็นวันนะ คื อ, อให้ใช้วิธีที่มันจะอยู่กับความจริงได้ก็คือว่าเปรียบเทียบนะลมหายใจนี้เศร้ามากลมหายใจนี้ลดความเศร้าลงมาหรื อ, อยังคือมันบางทีเนี่ยระดับมันแค่นิดเดียวถ้าถ้ามันไม่เห็นชัดเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆเป็นนาทีก็ได้หรือไม่อาจจะเนี่ยนอนๆ อ, อยู่เฉยๆอย่างเงี้ย ในในท่านอนนะั้นเน่ยมันมันจะมีอารมณ์ที่ว่าบีบบีบคั้นมากบีบหัวจิตหัวใจเล่ากับว่าใครมาเคลนอยู่ใน่บางครั้งมันก็เศร้าแบบซึมซึมเนี่ยค่อยค่อเห็นความต่างอย่างนี้ค่อยค่เก็บรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงมันลดระดับแล้วเพิ่มขึ้นไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันดีว่ามันจะดีขึ้นอยา่าคาดหวังเพราะว่าตอนที่เศร้าศพ แบบในอาการสอมเป็นวันเนี่ยส่วนใหญ่แรงประทะมันจะหนักแน่นแล้วก็แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีอาการสอมอย่างนั้นแต่เราสามารถที่จะเห็นได้ว่าเออในแต่ละลมหายใจหรือว่าในแต่ละนาทีคือลมหายใจหนึ่งอาจจะน้อยเกินไปสั้นเกินไปบางทีอาจจะเป็นนาทีก็ได้บางทีอาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้บางบางนาทีเนี่ยมันเค้นอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ปล่อยเลย แต่นาทีต่อมาเออมันเริ่มปล่อยเริ่มคลายคือช่วงที่เราเห็นแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะแต่พอเราเฝ้าสังเกตยอยู่อย่างนั้นแล้วเห็นหลายๆรอบเข้าไอความรู้สึกว่า เ, เราไม่ได้เห็นอยู่จริงๆมันจะหายไปมันกลายเป็นว่าเนี่ยมันปรากฏแสดงอยู่ช ắt, ัดๆแล้วเรายอมรับมันไปเป็นครั้งๆว่าเนี่ย มันเต้ามากเต้าน้อยมันมีอาการเค้นมากมีอาการเค้นน้อยแต่ตรงที่อย่างตอนนี้จิตมันสบายมากจิตมันเปิดมากเนี่ยนะมันเป็นคนละตัวกันใก่วันก่อนที่มียังมีเก็บอะไรอยู่เยอะยังปิดอยู่เยอะนะแล้วก็ไม่อยากยอมรับอะไรอยู่เยอะนะตัวเนี้ย ที่เราสามารถเห็นแต่ไม่ใช่ไปล็อกไว้ว่าจิตแบบนี้มันเป็นมาตรฐานที่เราจะต้องรักษาไว้เรื่อยๆหรือทําให้เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้ามันตกอีกเราก็รู้รู้ยอมรับว่ามันตกอีกเปลี่ยนไปจับภาวะแบบนี้นะแล้วถ้ามันกลับมาเป็นแบบนี้หรือยิ่งกว่านี้อีกเราก็ไม่ต้องไปดีใจแต่ให้มองเสมอว่านี่คือจิตแบบหนึง่งพอมองมองมองไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นจริงๆว่าคำว่าจิตเนี่ยเดี๋ยวกว้างเดี๋ยวแคบเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืด เดี๋ยวมันเกิดความรู้สึกเก็บอัดเดี๋ยวมันเกิดความรู้สึกปล่อยโล่งนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราเราจะไม่ไม่ไปให้ข้อสรุปกับมันว่าเราปฏิบัติ ด, ดีหรือไม่ดีมาแค่ไหนแต่เราจะให้ข้อสรุปกับมันว่าเนี่ยตัวนี้จิตแบบหนึง่งมาเปลี่ยนให้ดูตัวนี้จริงๆแล้ว แกวเลยนะคือไอเรื่องที่มันมาชกเราให้คว่ำลงเนี่ยถือว่าขอบคุณมันก็แล้วกันใจอะค่ะมันบอกว่ามันนานมากก็เลยเอ้ยทำไมมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็เลยตกใจเงี่ยที่มันไม่เปลี่ยนเพราะเรายังคาดหวังอยู่ว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนหมายถึงหายเราะเราเห็นกับมันเปลี่ยนแปลงแบบนเจ็ดปดวันที่ผ่านมาคตอนนี้มันยาวนานมากก็เลยคือคือเรากะว่า เรามาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยพอเจอชกเนี่ยมันต้องไม่รู้สึกอะไรหรือรู้สึกน้อยเห็นไหมมันมีความคาดหวังผิดผิดแฝงอยู่เสมอในทุกระดับของการปฏิบัติต่อเมื่อเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่มันเพิ่งผ่านไปสดสดร้อนร้อนเนี่ยว่าตุ้มเดียวเนี่ยหนึ่งวันสองวันสมอยู่อย่างนั้นเราเอาคนเป็นไข้หนักมันจะได้เข้าใจ ว่าเออเรายังสามารถลงไปนอนกองได้ยังมีหมัดน็อกให้ลงไปนอนกองได้แต่ประเด็นก็คือว่าในตอนที่นอนกองเราเห็นไหมว่าเออมันมีรายละเอียดของการนอนกองอย่างไรที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยนอนกองแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยนอกจากความรู้สึกเศร้าเหลือเกินมันมีความรู้สึกมืดเหลือเกินในตอนนี้นอนกองก็จริงเป็นวันก็จริง แต่บางทีลองทบทวนดูดีๆนะบางช่วงเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับใจก็มีความสุขขึ้นมาเป็นวูบๆที่เห็นว่าเออเนี่ยเราเป็นทุกข์อยู่แล้วเห็นความทุกข์เนี่ยมันกำลังแสดงให้ดูคือมันเป็นวูบๆของความตกที่แบบไม่รู้เหนือรู้ใต้และแถมเราไม่เชื่อด้วยว่าเรามีความตกจริงอา้าแต่พี่เห็นไนงะนี่แสดงว่ามันเกิดขึ้นจริงๆไง แต่เราไม่รู้จริงๆเหมือนกันเราแบบเอ้ยนอกไปยาวนอนยาวเลยอะแต่จริงๆแล้วมันจะมีภาวะแทรกขึ้นมาแต่เรารู้สึกว่าไม่เห็นหรอกมันมืดมั น, มนไม่ใช่หรอกอรเออเนี่ยนึกว่าเป็นอุปทานแต่ตรงนั้นเนี่ยมันแค่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราเท่านั้นเองพอมันไม่เป็นไปตามคาดหวังปุ๊บ<ม>เรากับว่านะจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมีค่าเท่ากันแต่ถ้าเราถอดเอาไอ้ความคาดหวังออกไปได้ อย่างบริสุทธิ์้อยเซ็นตมันเหลือแต่ภาวะจริงๆที่กำลังปรากฏอยู่ในแต่ละขณะไม่มีอะไรเคลือบแฝงเลยนะโอเค <c oughs> จะจำได้จ้ะ <c oughs> จะอย่าไปถอดถอนมันนี่ตอนนี้มันก็ลดลงไปครึ่งแล้ว เห็นไหมคือคือมันลดลงไม่ใช่เพราะว่าเราตั้งใจถอดถอนแต่เราเฝ้าสังเกตมันอยู่คือมันผุดขึ้นมาอย่าไปตกใจอย่าไปรู้สึกว่าเออเนี่ยมันยังอยู่แล้วไปกังวลพี่พูดถึงภาวะตรงนั้นเพื่อให้เราดูเปรียบเทียมอย่างตอนเนี้ยไอ้ไอ้ที่เรากลับไปเนี่ยมันเหลือครึ่งหนึ่งเพราะว่า ที่พูดถึงมันแล้วเราเอาไปคิดเก็บไปคิดแต่จริงๆแล้วเวลาที่มันจะกลับมาปรากฏขึ้นอีกเนี่ยมันกลายเป็นเป็นความกลุ่มใจแทนว่าเฮ้ยเอาเกิดแล้วจริงๆด้วยไม่พาวะแบบนี้ให้ภาวแบบนี้พี่บอกไว้ว่าไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นแบบไปแปะป้ายลบมันไว้แล้วห้ามไม่ให้มันเกิดหรือคิดว่าทำยังไงดีจะถอดถอนในตรงนี้ทิ้งไป พอตั้งจทยไว้แบบนี้ปุ๊บมันก็ไม่ได้ดูแลดิพอไม่ได้ดูปุ๊บเปลี่ยนเป็นความกังวลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยดิมันกลายเป็นความสูญเปล่ากลายเป็นจิตที่เศร้าหมองกลายเป็นจิตที่คิดมากซึ่งในทางการเจริญสติแล้วเนี่ยแบบนั้นเนี่ยสติมันไม่เจริญ มันกลายเป็นความกลุ่มใจเจริญขึ้นเนี้ยทีนี้คือพอเราเข้าใจว่าเออถ้าเกิดขึ้นแค่ดูไปว่าเออมันเท่าเดิมหรือเปล่าสมมติว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราช่วยไม่ได้จริงๆมันมันขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะบอกอยู่ในใจอ่ะไม่ได้มันต้องเอาซะหน่อยอะไร ก็ให้ดูระดับที่มันแตกต่างไปคือเราจะจำได้ยังไงเราก็ต้องจำได้แต่เดิมที่มันใส่ไปเต็มเ็มเนี่ยหน้าตามันมันมือดออกมาจากข้างในแค่ไหนมันมีแรงอัดออกมาจากข้างในแค่ไหนแต่พอมันเหลือครึ่งหนึ่งคือเหลือครึ่งหนึ่งเองไม่ใช่ไปพยายามสกัดกั้นมันมันจะเกิดความรู้สึกว่าเหลือเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่ที่ว่าเออเนี่ยตัวเดิมของเรามันเป็นแบบนี้ มันไม่เท่าเดิมมันจะรู้สึกว่าเอา้าก็มีความแตกต่างให้ดูแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรยิ่งไปกว่านี้ล่ะถ้าคาดหวังว่าทุกอย่างที่มันเคยไม่ดีมันจะหายไปเลยเนี่ยนอกจากจะเป็นความคาดหวังที่ผิดจากความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วมันยังมาบันทอนให้สติของเราเนี่ยมันพร่าเลือนหรือว่าผิดเพี้ยนบิดเบี้ยว เพราะมันไม่อยากยอมรับความจริงเมื่อไหร่ที่ใจเราไม่อยากยอมรับความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวเองเมื่อนั้นสติมันบิดเบี้ยวจิตมันผิดเพี้ยนนี่มีให้เห็นอีกนะพอเราเกิดความรู้สึกไม่อยากให้มันเกิดเมื่อไหร่เรามองเข้าไปที่ใจมันจะอึอดอัดอึดอัดอย่างสูญเปล่ามันจะเกิดการที่ว่าไม่ยอมรับแบบที่ไม่มีอะไรดีขึ้น เราจะมีส่วนที่ยัง เ, เป็นอกุศลธรรมอยู่แค่ไหนก็ตามแล้วเราเห็นอกุศลธรรมนั้นตามจริงตามที่มันกำลังปรากฏแต่สามารถบอกถูกว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจากที่มันเคยชินตัวนี้แค่นี้แหละสติมันจริญขึ้นทันทีเพราะมันเห็นด้วยความปลอดโปรง่งเห็นตรงตามจริงแล้วพอเห็นตรงตามจริงเนี่ย จิตมันจะจำไหมนะจิตมันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆว่านั่นคืออากุศลธรรมแล้วครั้งต่อไปเนี่ยจิตมันจะเริ่มไม่เอาของมันเองกว่าที่มันจะเริ่มไม่เอาของมันเองเนี่ยอาจจะผ่านไปเป็นร้อยๆครั้งพูดง่ายๆว่าอีกปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะยังมีภาวะแบบนี้แต่ประเด็นก็คืออีกปีหนึง่งมันจะลดลงไปกว่านี้ไม่รู้กี่เท่า อย่างอันเนีแ้ยบบมันชัดเจนเลยที่น้องถามมาเนี่ยมันมัวแต่ไปคาดหวังแล้วผิดหวังอยู่มันไม่ได้เข้ามาที่ภาวะทางใจจริงๆเห็นไหมแต่ถ้าตัวความคาดหวังนี่ by, หายไปเหลือแต่ไอความรู้สึกทางใจที่ว่าเออมันเท่าเดิมหรือไม่เท่าเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะเราจะสนุกกับการเห็นอีกแบบหนึง่งไม่ใช่เห็นว่ามันหายไปหรือไม่เกิดขึ้น แต่เห็นว่ามัน ล, ลดลงประมาณกี่เปอร์เซนต์อย่างถ้าให้พี่ประมาณนะมันลดลงไปประมาณสี่ติบห้าติบปอร์เซนพูดง่ายๆว่าเกือบครึ่งจากของเดิมเห็นไหมถ้าเป็นพี่เห็นเนี่ยพี่เห็นแบบนี้ว่ามันต่างไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ของเราเนี่ยนะตอนเห็นเนี่ยนะมันเกิดความรู้สึกว่าเอา้ายังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิม เห็นปะเห็นความแตกต่างไหมมุมมองของพี่กับมุมมองของเราของเราปากักปักใจยึดอยู่แค่ว่ามันยังอยู่กังวลจังไม่ได้ดูว่ามันแตกต่างไปแค่ไหนลดระดับลงประมาณเท่าไหร่ต่อไปลองบอกตัวเองให้ได้ตอบตัวเองให้ถูกคือไอ้พูดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงจริงมันไม่มีไอ้แบบเป็นวิทยาศาสตร์หรอกมันมันไม่ได้แบบมีขนาด ที่ชัดเจนแต่เรารู้สึกอาศัยความรู้สึกเงาเนี่ยแบบไม่ถึงครึ่งอ่ะไม่ถึงครึ่งประมาณเท่าไหร่สี่สิเอร์เซ็นหรือว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสักยี่สิบอร์เซ็นะไม่ถึงหนึ่งในสี่ของความรู้สึกใจนี่แหละเป็นผู้ช่างน้ําหนักใจนี่แหละเป็นตาช่างพอน้องรู้สึกว่าใจของเราเป็นตาช่งางคราวนี้มันไม่คาดหวัง ไม่จะอยู่หรือไม่อยู่แต่คาดหวังว่าจะเห็นมันต่างไปกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะคือความความที่อยากเป็นอิสระแล้ววาคเป็นตัวเองจะเป็นตัวแก้ไขหป่าของน้องพอใจมันเริ่มเป็นอิสระแล้วก็มีความรู้สึกว่าสนุกกับการเห็น ให้ภาวะภายในของตัวเองเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เนี่ยนะมันจะมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามแต่ว่ามองไม่เห็นว่าจะเริ่มจากตรงไห น, นคือมันมันคิดมันดูจากคอนเนคชันดูจากเงินทุนดูจากโน่นนี่นั่นเนี่ยมันรู้สึกว่ายังติด มันตันๆแต่ทีนี้ถ้าใจเราปลอดโปร่งมันเหมื อ, มอนผ่าทางตันไปอีกแบบหนึ่งคือมันเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ไม่ต้องไปเป็นเจ้านายมันเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ยอมใช้กรรม แต่เดิมเนี่ยมันอยู่ในสภาพไม่ยอมใช้กรรมคือมันเหมือนกับเริ่มเริ่มเชื่อแล้วว่าเนี่ยมันอาจจะไปทําเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่ค่อยอยากยอมรับนี่ถ้าเราใจเริ่มปลอดโปรง่งใจเริ่มเหมือนกับมีความสามารถรับสภาพสภาวะที่มันเกิดขึ้นภายใน มุมมองเนี่ยทั้งภายในและภายนอกมันจะแตกต่างไปจากเดิมมากอันนี้ที่พี่เห็นเนี่ยนะคือใจเราจะไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะสะภาพกดดันแบบไหนแล้วพอแต่ก่อนเนี่ยบางทีมันสมมตินะสมมติเฉยๆนะสมมติหวังพึ่งพ่อพึ่งแม่เงี้ยแลวพึ่งไม่ได้เงี้ยสมมุตินะเราก็จะน้อยใจพ่อแม่ใช่ไหมนี่พอ ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเออชีวิตมีอะไรดีให้ทำและเป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆเราจัด Priority ใหม่มาอยู่กับการเจริญสติแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้นมาจากภายในเราจะมองพ่อแม่ต่างไปเลยว่าขอบคุณขอบคุณเหลือเกินที่ให้เกิดมา เราได้มามีโอกาสเป็นอิสระแบบนี้ทุกอย่างที่เรามองเนียมันเกิดขึ้นจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้อะไรเราเสียอะไรแต่เดิมเนี่ยไอ้คาว่าได้ได้ได้เนี่ยมันเป็นวัตถุภายนอกตาแหน่งภายนอกหน้าตาภายนอกแต่ที่เรากำลังใช้ชีวิตยอยู่ทุกวันนี้ได้หรือเสีย มันเริ่มเข้ามาข้างในละวสว่างหรือว่ามืดรู้สึกดีหรือว่ารู้สึกแย่เป็นอิสระหรือว่ารู้สึกเหมือนถูกคุมขังถูกกดดันเพราะเห็นอาการทางใจได้อย่างเดียวแล้วมีความพอใจที่จะเห็นสักอย่างเดียวที่เหลือในชีวิตนะมุมมองมันจะต่างไปเป็นคนละคนเลย อยากที่ว่ามองด้วยอาการคาดหวังมองด้วยอาการน้อยอกน้อยใจมองด้วยอาการว่าเราจะอย่างนั้นเราจะอย่างนี้มันกลายเป็นว่าจิตมันมีอะไรให้ดูบ้างคือพอที่ตั้งของความพอใจมันเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บเนี่ยมุมมองเนี่ยมันจากจากที่มองเห็นแต่กวดแต่ทรา ย, ยมันมองขึ้นไปเห็นดวงดาวเห็นเมฆขาวอ่า ความก้าวหน้าของเราเนี่ยนะมันจะมาในรูปของความรู้สึกว่าเออที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ดีคือไม่ใช่ไม่มีอะไรดีมันก็ดีของมันอยู่แค่เราไม่พอใจเท่านั้นเองแต่ทีนี้ถ้ามันดีของมันอย่างนี้แล้วดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วเราพอใจมันชีวิตเราจะมีความสุขสุขออกมาจากความรู้สึกว่า นี่เราได้เจริญสติมีค่าที่สุดแล้วได้งานภายนอกหรืออะไรที่มันปรากฏอยู่มันเป็นของหลอกตาแป๊บหนึ่งชีวิตคนเราเราจะรู้สึกว่ามันสั้นที่สุดเนี่ยตอนที่เรากําลังจะตายมองย้อนกลับมาเนี่ยทุกคนเเคยเกิดตายกันหลายหนแต่จําไม่ได้แต่ตอนจะตายแต่ละครั้งเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันนิดเดียวผ่านมาชีวิตเนึ่ง แต่สิ่งที่เราทำมันมากหรือน้อยมีค่าแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจะรอดหรือไม่รอดรอดรอดแค่ไหนรอดแค่ไปสวรรค์หรือรอดถึงขั้นที่ได้ไปนิพพานตัวเนี้ยที่เราจะเห็นจริงๆว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันมีค่าที่สุดอยู่แล้วนะ ออ่ยงอย่างนิดนึงไม่เป็นไรพูดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าไปเอง ต่อมาเนะะี่ยค่ะก็ล่าสุดก็เนื่องจากพยายามจะแก้ปัญหาให้คนนูน้นคนนี้ก็ไปขวัญไปขวางคนที่เขาก็มันจะทําอะไรล่าสุดก็ไปขวางเรื่องเงินถ้าเราดูตามเกมไม่ให้เขาก็รู้สึกว่าแบบยึดหลักการถูกลองไม่ผิดสีเรื่องเรื่องเรื่องเงินแต่พอตัดสินใจว่าทําตามหลักเกณฑ์ไปแล้วค่ะก็รู้สึกจิตใจมันไม่โปรง่งเพราะว่าเขาก็เศร้าเขาก็มองว่าเงินแค่นี้มันไม่ได้มากมายอะไร ถ้าเราปล่อยเลยตามเดินไปก็ปลับตาซะก็ทุกคนก็มีความสุขดีแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปเนี้ค่ะจะยิ่งรู้สึกว่ามันต้องมีการขวากันเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าไปขวานทีก็อาจจะก่อให้เป็นเวรเป็นกรรมทําให้เขามีปัญหาในการทํางานแล้วในที่สุดมันจะกลับมาเป็นเหมือนที่เราเคยโดนอย่างนั้นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกไม่สบายใจว่าควรจะต้องตัตดสินใจ หลับตาดีหรือว่ายึดหลักการหรือว่าทำอย่างไรดีถึงจะเหมาะสมที่สุดถ้ามองเป็นอาการทางใจเนี้ยการเสียจุดยืนไปเนี่ยมันก็เท่ากับเราเสียที่ตั้งของสมาธิไปมีบางคนที่ใช้ชีวิตแบบอารมณ์อร่วย ประนีประนอมพยายามทาให้ทุกฝ่ายพอใจปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่สามารถทำให้ใครพอใจได้สักคนเดียวแล้วผลเสียทางใจก็คือพอมาทำสมาธิมันเห็นเลยนะมันเหมือนกับไม่สามารถตั้งอยู่กระตรงใดตรงหนึ่งได้มันขาดน้ำหนักมันไม่สามารถโฟกัส ที่ให้โจทย์อย่างนี้ก็แล้วกันว่าจะเลือกยังไงจะตัดสินใจยังไงแบบประนีประนอมหรือว่าแบบที่ว่าโลกไม่ช้ำทำไม่เสียรายละเอียดเป็นยังไงก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าให้ขาดจุดยืนต้องจําจุดยืนของตัวเองให้ได้ว่าเนี่ยที่เรารู้สึกดีกับตัวเองที่เรารู้สึกว่าใช่ตัวเองเนี่ย มันอยู่ที่ตรงไหนบางทีมันคุยกันได้เจราจากันได้บอกว่าโอเคเรารู้เราเห็นนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะลดลงสักครึ่งหนึ่งได้ไหมคืออย่างน้อยเนี่ยเออมันไม่ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นอากาศธาตุไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาผ่านไปได้ง่ายๆอย่างน้อยมันมีจุดยืนของเราอยู่ แต่ก็ไม่ได้แบบหักด้ามพราด้วยเขา่าไม่ได้แบบชนิดที่ว่าจะเอาชนะกันให้ค่ํากันไปหรือตายกันไปให้ข้างหนึ่งอะไรแบบนี้นะรายละเอียดวิธีพี่บอกไม่ได้แต่บอกได้อย่างหนึ่งสังเกตเข้ามาที่ใจตัวเองถ้าตราบใดจุดยืนเดิมของเราที่มันดีที่มันถูกต้องยังอยู่ใจของเราจะมีโฟกัส เรื่องอีโก้อีโ ก, โก้เนี่ยคือในทางโลกในทางการใช้ชีวิตแบบคารวะเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกมันทำอะไรดีทำอะไรเด่นหรือว่าทำอะไรที่เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาต้องหันมาหาเราเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอีโก้ประเด็นก็คือเราใช้อีโก้มาทำประโยชน์ในแบบที่มันควรจะเป็นไปตามหน้าที่ของเราหรือเปล่า อย่างนั้นพอจเจริญสติเราค่อยมาดูทีหลังก็ได้ว่าเออเนี่ยตอนนี้มันมีความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเยอะๆนะมีอัตตานะมีมานะนะมีความรู้สึกมืดๆทึบๆนะอืมแล้วไอ้ความรู้สึกมืดๆทึบๆนั่นแหละเออดูๆไปแล้วมันก็เห็นเออแต่ละลมหายใจมันไม่เท่ากันหรอกบางทีมันรู้สึกมืดๆทึบๆเป็นอัตตาตัวตนแบบเดิมอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเสร็จแล้วพอมันเริ่มเข้าสู่สมาธิในแบบหนึ่งเห็นแต่ลมหายใจเห็นแต่ ความรู้สึกว่าเออมีท่านลมเข้ามีท่านลมออกไม่รู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นที่ตั้งของอัตตานี่ตัวนี้มันก็ค่อยๆเข็นไปทีละนิดทีละนิดแต่ไม่ใช่แบบเราจะไปบังคับเอาได้ว่าเออเราทำหน้าที่อะไรเต็มที่แล้วคนอื่นหันมาแล้วเราจะไม่มีอิโก้เลยมันไม่ใช่วิสัยนะ มันมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งนะแล้วหลายคนจะรู้สึกหมองว่าเอ๊ที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันขวางความก้าวหน้านี่มันขวางตัง้งแต่ตอนยังไม่ไปบวชแล้วแหละมันไม่ใช่เพิ่งมาขวางอาตอนที่เราเกิดอีโก้ตอนทําหน้าที่อะไรได้เป็นคาราวาดเนี่ยคือระหวังแค่นี้เราเห็นตามจริงตามสภาวะที่มันกําลังปรากฏเป็นเรื่องเรื่องแต่อย่าไปคาดหวังอะไรถึงขั้นที่ว่าทํางานไปแล้วมันจะไม่เกิดอีโก้เลย เราทำงานไปแล้วมันจะไม่เกิดความขัดแย้งเลยแต่เราคาดหวังว่าทำงานไปแล้วให้มันมีจุดโฟกัสของงานที่ทำให้จิตของเราเป็นสมาธิขึ้นมาได้เราจะได้เอามาต่อยอดเป็นการเจริญสติคิดอย่างนี้นะแล้วอันที่ขวางไปแล้วนี่ควรไปคุยกับเขาสักนิดไหคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพื่อให้มัน ของเราของเราเวลาคุยมันคุยแรงอะ่ะคือคือแบบดูเหมือนกับไม่ได้ใช้คำอะไรก็จริงแต่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาแล้วก็มันจะมีท่าทีที่แข็งนิดนึง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ในความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่เต็มหัวมันมีบางทีมันเห็นอะไรชัดกว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นอะไรชัดกว่าไอ้คนที่เราคุยด้วย เพราะว่าหลายเรียงหลายอย่างเนี่ยเราเราเข้าใจเราเข้าใจเป็นภาพรวมในขณะที่หลายๆคนส่วนใหญ่จะเข้าใจเป็นภาพที่อยู่ตรงหน้าว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนี่ถ้าน้องสามารถเห็นอาการพูดของตัวเองนะเวลาที่คือคือพอเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าฟอร์มเดิม มันจะเข้าแพทเทิร์นเดิมแบบที่เราเคยชินจะมีอาการตั้งหน้าตั้งตาขึ้นมาแล้วก็พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้แล้วก็พยายามจะเอาชนะด้วยเหตุผลที่เราคิดว่าเี่ยมันเป๊ะแล้วมันไม่มีทางเป๊ะไปกว่านี้แล้วเนี่ยมันไม้บรรทัดแล้วนี่คนในโลกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการไม้บรรทัดเขาต้องการสิ่งที่เขาอยากได้ ไม่รู้ว่ามันโค้งงอบิดเบีย้ยวหรือว่าผิดเพีย้ยนแค่ไหนรู้แต่ว่าน่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็ไม่หยุดนี่เราจะหยุดเขาได้ไม่ใช่ด้วยไม้บรรทัดแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ใช่ไปโค้งแบบที่เขาโค้งอยู่ซึ่งมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่เราต้องเป็นไม้บรรทัดที่งอนนิดนึงเริ่มจากอาการทางใจ ที่รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ผิดเต็มร้อยเพราะถ้าเรารู้สึกว่าถูกคือของเราแล้วผิดคือของเขาเนี่ยตรงนี้มันก็จะเข้าฟอร์มเดิมพูดออกมาจากสิ่งที่เรารู้สึกแต่ถ้าเรามีสติจะเดินขึ้นในขณะที่กำลังจะพูดเราเห็นว่านี่เรารู้สึกเลยว่าเนี่ยถูกนั่นผิดมันจะอ่อนลง มันจะรู้สึกถึงอาการอยากประนีประนอมในความรู้สึกอยากประนีประนอมนั่นแหละคืออาการของที่พี่ว่ายว่าไม้บรรทัดที่มันสามารถที่จะงอได้นิดหนึ่งนี่พูดเป็นอาการทางใจพูดง่ายๆว่าถ้าเราเห็นอาการทางใจของตัวเองณนะเวลานั้นเรารู้ว่าจะพูดอะไรต่อมันจะรู้ขึ้นมาเองมันจะเห็นรายละเอียดขึ้นมาเองคือขึ้นขึ้นต้นมาไม่ใช่ว่าแก้พิษแต่ว่าขึ้นต้นมาว่า มันมีทางออกอื่นไหมเออเนี่ยคุณนนมันมันจะเริ่มมีไอ้โทนของการใช้สีหน้าสีตาและน้ําเสียงที่แตกต่างไปถ้าเช่นนั้นถ้าอยากพูดก็พูดได้แต่ว่าต้องตั้งได้ดคือเห็นเห็นก็ามาที่ใจว่าเนี่ยเราถูกเต็มร้อยเข้าผิดเต็มร้อยหรือเปล่าถ้าตรงนั้นอย่าเพิ่ง แล้วพอรู้สึกถึงเอเออไม่ต้องถูกเต็มร้อยก็ได้นันไม่ต้องผิดเต็มร้อยก็ได้เราถูกเจ็ดสิบห้าเขาผิดเจ็ดสิบห้าได้ไหมเนี่ยแล้วมันจะค่อยค่ยจูนมาอยู่ที่ตรงที่พอจะคุยกันได้เจรจากันได้เสียงเราจะอ่อนลงไอ้นี่แบบ พ, พี่เห็นคือมันเหมือนกับไม่เป็นทัดเป้งเลยไงคือเราแล้วอันเนี้ยของเราไม่มีอะไรผิดหรอกมันถูกหมดแหละแต่ที่ถูกหมดเนี่ย คนเขาไม่ต้องการมันผิดสำหรับเขานะนี่แหละคือการปฏิบัติพอเราเห็นใจในขณะที่อยู่ในชีวิตประจำวันมันมันจะเริ่มรู้สึกถึงภาวะอย่างที่พี่ที่ที่ที่พี่บอกอว่าเราเป็นเหมือนไม่ไม่มันทัดตรงเป้งเราก็นึกออกเนี่ยภาวะแบบนั้ น, นให้เห็นก็แล้วกันเวลาที่มันกลับมาปรากฏ ตรงนี้การจเจริญสติมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆแต่จำไว้ด้วยนะจำคีย์เวิร์ดไว้ด้วยพี่ไม่ให้เสียจุดยืนนะเพราะถ้าเสียจุดยืนเนี่ยใจเราจะเป๋การที่จะไปยอมๆ ม, มันจะเหมือนกับเราอ่อนเปียกไปเป็นอีกคนหนึ่งพอเสียความเป็นตัวของตัวเองไปสมาธิมันก็จะเสียโฟกัสไปด้วย พึ่งมาครั้งแรกผม่อบมอยู่แต่ว่าผมก็เคยแล้ก็จะนัมบมาิที่ไหนตัวเองบ้างก็เจอจบบอลแล้วีคนเทนตถามไปพอดีเพื่อจะลองมาระอบตมาครั้งนี้เพราะอยากเรียนรู้อยากให้แรงบันดาลใจอีกทีนึงอยากจะทาอะไรบ้างก็มันยังนีคำาถอยนะครับขอควาคุ้มม่หนึครับก็เพิ่งเคยมา ทัศนบัต่งสมาธิเนี่ยเกิดการแบบคู่ไปเป็นเพา่วงหรือว่าเป็นเพราะว่าจิตมันยังไม่เสถียืนนะฮะเป็นธรรมดามากๆเลยที่มันจะต้องตกภวังไปบ้างคําว่าตกภวังเนี่ยก็หมายความว่าจิตไม่รู้เนื้อรู้ตัวสูญเสียความสามารถที่จะรับรู้อะไรที่กําลังปรากฏอยู่แล้วเข้าไปอยู่ในภาวะไม่รับรู้ ทีนี้ถ้าเรานั่งสมาธิบ่อยขึ้นแล้วก็เกิดภวังบ่อยขึ้นแต่ละครั้งก่อนที่จะเกิดภวังหรือรู้สึกตัวว่าเมื่อกี้ตกภวังมาตัวนี้มันก็จะไปเพิ่มในตัวความสามารถในการรับรู้ในช่วงก่อนตกภวังและในช่วงที่ออกจากภาวังมามากขึ้นเรื่อยๆในผวังตอนแรกสมมติว่าัมีระยะแค่นี้ มันพอมันมาถูกกระชับพื้นที่นะด้วยสติก่อนที่จะตกผวังแล้วก็ด้วยสติที่ตอนถอนออกจากผวังมันก็จะเท่าเท่ากับบีบไอช่วงของผวังเนี่ยให้แคบเข้าแคบเข้าจนกระทั่งเหลือนิดเดียวเหมือนตกหลุมอากาศแล้วมันก็เชิดหัวขึ้นมาใหม่ตัวนี้คือธรรมชาติกลไกของจิตที่มานั่งสมาธิทําความเข้าใจแบบเห็นภาพอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วได้ข้อสรุปว่าไปทําให้มาก แล้วก็ทุกครั้งที่ตกภวังเราแค่รู้ว่าหน้าตาการตกภาวางมันเป็นแบบนี้คือไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปพยายามแก้ไขให้มันดีขึ้นขอให้รู้ก็แล้วกันว่าจิตของเรายัางตกหลุมอากาศได้อยู่ที่ผ่านมาตกหลุมอากาศได้ลึกแต่พอรู้ว่าเนี่ยหน้าตาของการตกหลุมอากาศเป็นแบบนี้ในที่สุดมันจะมีความสเทียนมากขึ้น เหมือนกับพอทำงานเนี่ยมันต้องฟังความเห็นของหลายเสียงหรือว่าอย่างนั่งเดิมเนี่ยเราเราจะรู้สึกว่าสมมติอยากจะแสดงความเห็นนะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับต้องฟังหลายเสียง แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเสียงที่เราบางทีรู้สึกไหมว่าทำให้เราเราทำให้เราเป๋เหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้คุยคุยกันตรงนี้ก่อนนะรู้สึกไหมว่าเป๋คือเหมือนกับไม่กล้าไม่กล้าคือคือออกความเห็นแต่ไม่ใช่เหมือนกับว่าแสดงว่าเรามี ควารู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แต่แสดงความเห็นประกอบเป็นความรู้ส่วนของเราเฉยๆแต่จะไม่ค่อยกล้าที่จะเพราะแต่ก่อนเนี่ยคือเคยเคยอยู่ในช่วงมันมันผ่านมาหลายช่วงช่วงไฟที่พยายามพยายามมยืนความคิดของตัวเองหรือว่าเสนอความคิดของตัวเองแต่มันเหมือนกับว่าถูกกลบอะถูกกลบด้วย หลายๆเสียงอย่างอื่นแล้วเราไม่ค่อยอยากมีเรื่องมีดาวไม่ค่อยอยากจะคือเราอยากมีเพื่อนเนี่ยเข้าใจว่าไม่อยากมีศัตรูแล้วมันทำให้ในความคิดเนี่ยเหมือนกับฟุ้งซ่านขึ้นมาด้วยอารมณ์แบบหนึง่งคือว่าจริงเนี่ยใจของเราอะ่ะเคยรู้สึกอยากจะแสดงความเห็นหรืออยากจะตัดสินใจแต่ตอนนี้มันเหมือนถูกกลบเข้าใจคำว่าถูกกลบไหม มันถูกกลบด้วยเสียงโน้นเสียงนี้แล้วก็เอออยากจะทำอะไรก็ให้มันทำํทำๆกันไปไม่อยากมีเรื่องกับใครไม่อยากมีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะทีนี้ถ้ามามองอมันเหมือนกับคนเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปคือเคยเป็นแบบห น, น, นึ่งแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนกับพอทํางานไปเรื่อยๆมันถูกระบบหรือว่าถูกไอ้ความรู้สึกเนี่ยตรงที่ว่า ไม่อยากมีเรื่องอหละทำให้เราพุงสั้นแบบหนึ่งพุงสั้นแบบเหมือนกับอยากจะทำอะไรแบบนั้นรู้สึกถึงความพุงสั้นแบบนั้นใช่มรูปแบบนี่คือพยายามจะแสดงให้เห็นว่าภาพความพุงสั้นของเราเป็นแบบเป็นแบบไหนมันจะเหมือนกับไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนคือมันไม่มีการตั้งเป้ามันไม่มีการเอาอะไร มันฟุ้งไปในแบบที่ว่าถูกสันมาแบบไหนก็ไหลไปตามนั้นไหลไปตามน้ำอ่าทีนี้พอเริ่มเห็นรูปแบบความฟุ้งซ่านแบบนี้นะจะเห็นว่ามันดูยากเคยรู้สึกไหมว่าฟุ้งซ่านเนี่ยมันดูยังไงยังไงมันก็เป็นแบบนั้นเนะี่ยมันมันไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีพ o i เหมือนกับทางานเนี่ยมัน เราไม่ไม่ได้บกพร่องอะไรเลยนะมีพวกมีอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครในขณะเดียวกันไม่ได้อย่างใจเราสัก อ, อย่างคือมันไม่ใจจริงๆอะ่ะไม่ได้เห็นด้วยกับใครแต่ว่าเออเขามามาไงก็ตามใจเหอะเราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเรื่องข้อมูลหรือว่ามุมมองในส่วนที่เขาต้องการจากเราก็พอ แต่ลองดูนะตอนอยู่ในห้องประชุมอ่บางทีมันคิดอะไรเยอะแยะเลยหน้าเวลานั้นเนี่ยคือบางบางทีมันมันเห็นอะไรไปอีกแบบหนึง่งหรือบางทีมันก็อยู่ในโหมดว่าเออนี่ไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปตัดสินใจหรือบางทีไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปคิดแต่มันยังวกวนอยู่ในความอยู่ในหัวนะคือคือความเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันคล้ายๆลุมเข้ามา และพอเหมือนกับจะต้องมาตัดเชือกที่เราว่าเราเห็นว่ายังไงคือเราเราจะพยายามปณิปัติ n มันมันไม่มีจุดที่แบบว่าเอยใครจะตัดสินให้ใครแพ้ตัดสินให้ใครชนะแะตรงเนี้มันกลายเป็นความฟุ้งซ่านในแบบมไม่เอาแน่เอานอนเวลามองไปโดยเพรอะยิ่งเวลานั่งสมาธิ มันจะเหมือนกับดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเข้าใจที่มาที่ไปัหมอ่ะทีนี้ถามว่ามันจะเริ่มหาทางออกจากตรงไหนพอเริ่มเข้าใจภาพทางใจแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเห็นนะมันเป็นอาการวกวนคิดแบบไม่เอาแนวนอนคิดแบบไม่รู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนเราต้องบอกตัวเองว่าต้องเลือก คือจะมานั่งสมาธิแบบเล่นๆ เ, เนี่ยไม่ได้นะบอกว่าโอ้ยสายโน้นก็ดีสายนี้ก็ใช้ได้จะให้ทุกคนถูกหมดเคยรู้สึกไหมเหมือนกับว่าปณีปนอมหมดคอมโพมายมากเลยทุกสายถูกหมดไปนิพานหมดคือคือใจเนี่ยมันยังไม่ได้ตัดสินนะว่าใครถูกใครผิดแต่เหมือนกับโน้มเอียงที่จะเชื่อไปหมดเข้าใจพอยนี้ไหม พอมันเกิดพ้อ n t นี้ขึ้นในใจหมายความว่าอะไรหมายความว่าพอวิธีแบบนั้นวิธีแบบนี้เข้ามาทีเราก็เอาแล้วมันอยู่ในอาการกั้มกึ่งอยู่ตลอดไม่ได้เลือกว่าจะปฏิบัติอย่างไรกันแน่เคยเห็นไหมตอนนั่งสมาธิรู้สึกเหมือนใจไม่ได้เข้าไปแตะอะไรจริงไม่ได้เข้าไปโฟกัสกับอะไรจริงนี่เริ่มใหม่เลยอย่างเมื่อกี้เนี่ย พอผมไกด์สมาธิเมื่อกี้มาทันมาตอนตอ น, นั่งแต่แรกใช่ไหมแล้วนั่งไปรู้สึกไหมแบบเหมือนกับว่าเราก็ดูตามนะแต่ใจมันใจมันเหมือนกับไม่ลงมาจริงอะ่ะเออมันลอยๆอยอยู่อะ่ะเข้าใจพ้อยตัวเองใช่ไหมว่าที่มาที่ไปมันมาจากไหนอ่านี้สรุปก็คือว่าถ้าจะเลือกเอาแบบที่ผมไกด์นะต้องทำจริง ทำทำด้วยอาการที่ตัดสินใจว่าจะเอาตรงนี้เริ่มขึ้นมาจากเนี่ยไล่เท้าเกรงอู่วแบวมือกำหิอยูวเนะี่สำรวจร่างกายขึ้นมาก่อนว่ามันมีอาการเกรงไหมของคุณนี่มันชอบเกรงเกรงอยู่ในอาการไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ว่าจะผ่อนพักอย่างไรนี่พอเราเริ่มใหม่เออเนี่ยถ้าดูดูจริงๆ เนี่ยเท้ายังเกร็งอยู่เนี่ยเห็นไหมพอพอรู้สึกถึงเท้าเกร็งเนี่ยตอนนี้มันเริ่มคลายนี่ผมพอพอผมจี้ไปตรงนี้เนี่ยมันถึงเริ่มคลายออกมามือยังเกร็งอยู่ไหมมันมันยังอยู่นิดๆใบหน้าโอเคคลายอยู่แล้วแหละเพราะมันไม่ค่อยเอาเรื่องเอาเราวใครนะมันไม่ค่อยไปหมกมุ่นอ่าพอมันเริ่มสบายอย่างเงี้ยค่อยถามตัวเองเนี่ยตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออก ถึงเวลาหายใจเข้าหรือหายใจออก อ, อย่างนี้เรียกว่าเอาแนลนอนเห็นไหมมันปักเข้ามามีโฟกัสแต่เดิมมันไม่อย่างนี้ไงมันเหมือนฟังหมดน่ะรับหมดน่ะแต่ไม่โฟกัสจริงสักอย่างเหมือนกับใจจริงๆอ่ะมันลังเลไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดแต่มันก็ไม่คิดปฏิเสธไม่ก่าปฏิเสธ เพราะเพราะมันไม่มีข้อมูลไงมันไม่รู้ว่าตรงไหนมันมันจริงมันไม่จริงกันแน่นี่ถ้าเราเอาสิ่งที่มันปรากฏอยู่ตอนหน้าต่อตาเนี่ยชัดชัดเนี่ยมันไม่มีใครมาหลอกแล้วเเนี่ยท้าวเกรงอยู่ไม่เกรงอยู่เนี่ยมันชัดเจนไงแล้วเราก็ค่อยๆสํารวจมานี่ถึงเวลาลมหายใจเข้าหรือเปล่าออกหรือเปล่าแล้วจิตมันอยู่ในสภาวะที่มีแต่อาการโฟกัสรู้ ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือเปล่าอย่างนี้มันมันชัดเจนแล้วทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้ว่าผมไกด์ยังไงเนี่ยกลับไปฟังใหม่ใน s a u c l o u d c o m s a n g t r i n รู้จักอยู่แล้วเนี่ย s a u c l o u d c o m s a n g t r i n มันจะมีเสียงไกด์วิธีทำสมาธิวิธีเดินโยงกลมวิธีแผ่มเมตตาโอเคครับ เนี่เวลาแ น, น่นจะมีผลต่อร่างกายอาการที่หนคือมันจะเย็นเฉพาะต้งหัวเหมือนเหมือนเวลามันแข็งแ็แปะอาการที่สองเนี่ยเวลามันตื่นมันมันอาจจะตื่นทีหนึ่งสองวันถึงสามวันอาการที่สามคือเหมือนกับมันอึมเกินไปอะคือเพราะว่าจิตของเรามารวมแบบกระจุกนะคือพอ เริ่มรู้สึกเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยแล้วไปจับเอาความ เ, าเป็นสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันเย็นลงเนี่ยตอนนั้นถ้าเราไม่สนใจนะถ้ามาอยู่กับความรู้สึกอบอุ่นของสมาธิเนี่ยมันจะรู้สึกว่าความเย็นมันหายไปแต่นี่พอเย็นปุ๊บคือเริ่มเย็นขึ้นมาแล้วเราโฟกัส ที่ความเย็นเนี่ยจิตที่มันกําลังแรงตรงนั้นเนี่ยมันไปยึดความเย็นความเย็นตรงนั้นมันก็เด่นถูกขับให้มันเด่นขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นไอ้ความเย็นที่ต่อนเนื่องยาวนานจริงต่อไปนะถ้าเกิดความรู้สึกเย็นขึ้นมาลองเหมือนกับแค่รับรู้เออเนี่ยตอนที่นั่งแล้วรู้สึกทั้งตัวมันจะเกิดความอบอุ่นขึ้นมา นึกออกใช่ไหมเวลาที่เป็นสมาธิเนี่ยพอพอนั่งพอนั่งรู้สึกเหมือนกับเออรู้สึกถึงอิริยบทอิริยบทนั่งทั้งหมดเนี่ยมันจะรู้สึกอบอุ่นแล้วแผ่กว้างมันกระจายอไปอ่าเดี๋ยวไม่ใช่คือไม่ใช่พยายามให้ความเย็นกระจายออกไปนะไม่หรือไม่ได้พยายามแผ่ให้ความอบอุ่นมันมันกระจายออกไปนะแต่ให้มันนึกถึงคือเปลี่ยนโฟกัสแหละยังยังพอเรานึกถึงความเย็นปุ๊บเนี่ย คือมันเป็นอะไรคล้ายๆกับภาวะที่มันแปลกประหลาดไงเป็นปรากฏการณ์ทางพลังงานมันเป็นเอเนอรชนิดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเย็นแล้วเนี่ยมันแปลกแล้วเราก็ไปจิตก็ไปก่อออกความเย็นนี่เนื่องจากจิตของเรามันแรงถ้าไปเร่งพลังในความเย็นตรงนีน้มันก็เด่นชัดขึ้นมาความเย็นนี้ของง่ายๆสร้างเมื่อไหร่ก็ได้เอามือแค่มาอัง แล้วนึกถึงความเย็นเนี่ยมันก็เย็นนึกถึงความร้อนมันก็ร้อนมันไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากเลยเป็นเป็นธาตุไฟนั่นเองคือเราแค่ปรับธาตุไฟด้วยจิตให้มันเป็นไปในทิศทางไหนนี่การที่มันเย็นขึ้นมาเนี่ยขอให้สังเกตเนี่ยพราะมันมันเริ่มเย็นขึ้นมานิดเดียวแล้วเราไปโฟกัสแต่ถ้าเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็มามาอยู่กับท่านั่งนะรู้สึกถึงความว่างของจิต มันจะกลายเป็นความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาแทนแล้วก็การที่มันตื่นอยู่กี่วันก็ตามขอให้มองว่านั่นก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดอีกเหมือนกันมันเป็นแค่การแสดงออกของจิตแบบหนึ่งว่ามันมันจะต่อเนื่องของมันอยู่อย่างนี้นะเว เวลาดูดูตัวนี้ดีกว่าดูตัวความพะวงต่อภาวะที่ปรากฏคือไม่ว่าจะมีภาวะไหนปรากฏเนี่ยเราคอยไปเพ่งโทษมั น, นหรือคอยไปเฝ้าดั ก, กพัฒนาการคือมีอาการใจจดใจจอ่อไม่บางทีมันไม่ได้กลัวอย่างเดียวมันมีความคาดหวังด้วยคือพะ คาดคาดหวังจะให้มันก้าวหน้าไปกว่านี้ไงคาดหวังไปในทางที่แบบจะให้มันอัปเกรดขึ้นไปหรือว่าถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปคืออย่างกลัวเนี่ยมันอย่างกรณีแรกที่พี่พูดเนี่ยเรื่องความเย็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เอเอมันเป็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่เดี๋ยวมันจะมีความผิดปกติต่อร่างกายหรือเปล่าหรือมันจะมีผลเสียทางใดทางหนึ่งที่เราไม่รู้หรือเปล่าพอ ไปจับไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความคาดหวังมันจะพรุงแต่งไปอย่างแรงแล้วก็ไม่อยากยอมรับใ้สภาวะที่กำลังปรากฏอย่างตอนนี้คือมันเข้าใจแต่ว่าภาวะเนี่ยมันเหมือนจะยังไม่เต็มไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มร้อยคือใ จ, ใจอ่านะตัวเนี้ยพอเรารู้สึกถึง ไอภาวะที่มันไม่ร้อยเปอร์เซเห็นไหมมันก็ค่อยคลายออกคือมันไม่เกาะไวมันมันไม่เกาะอยู่อาการไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไว ม, มันเริ่มเข้ามารู้สึกถึงความจริงโดยปราศจากความกลัวและความคาดหวังเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่อดีตก็อนาคตที่ใจเราไปเกาะ ทั้งทงที่ก็ปฏิบัติมาได้นะแต่ว่าจิตของเราเนี่ยเกาะอยู่กับความก้าวหน้าในอนาคตมากเกินไปหรือไม่ก็เกาะ อ, อยู่กับความกลัวความกังวลต่อผลเสียที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่เนี้ยมันค่อยเห็นไหมมันมันไม่บีบจิตมันไม่บีบมันเข้ามาอยู่กับความจริงที่มีอยู่แค่ว่าเนี้ยนั่งอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีอะไรพิเศษจิตของเราบางทีเนี่ย ทางหนึ่งมันก็กลัวความพิสดารของปรากฏการณ์ทางจิตแต่อีกทางหนึ่งมันไม่ค่อยจะยอมรับอะไรที่มันธรรมดาธรรมดานั่งอยู่ก็เนี่ยรู้ว่ากําลังนั่งอยู่มันไม่ใช่ยอมแค่นั้นไงมันจะไปปรุงแต่งอะไรต่อตัวนี้แหละต้นเหตุของความคาดหวังและความกลัวแต่ถ้าเรายอมว่าเออเนี่ยเนี่ยนั่งนั่งคือนั่ง อยู่ในท่านั่งแบบนี้แล้วนั่งว่าหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้มันเปิดขึ้นแต่ไม่ไม่เปิดไม่เปิดเต็มร้อยนะตัวนี้เริ่มยอมรับเข้ามาในภาวะง่ายๆเห็นหั้ยวิธีคิดของเราเนี่ยมันไม่ยอมง่ายมันจะขออะไรที่แบบมันยุ่งยากนิดหนึ่งขออะไรที่มันมันมีขั้นตอนนิดหนึ่งที่ให้รู้สึกว่าเราได้ทำเป็นพิเศษ เข้าใจวิธีปรุงแต่งไหมอันนี้มองเป็นวิธีปรุงแต่งทางจิตของเรานะเนี่ยพอคำว่าครับเนี่ยดูที่มันรู้สึกถึงภาวะปรุงแต่งของจิตแล้วมันว่างออมันคลายออกไปนิดหนึ่งนี่ตัวนี้เนี่ยที่มันยอมมาอยู่กับภาวะอะไรง่ายๆมีแค่ท่านั่งแล้วก็ลมหายใจไกลภาวะที่มันรู้รู้เฉยๆ ที่ผ่านมามันไม่ยอมรู้เห็นไหมคือคือเริ่มเห็นอนาะการทางใจของตัวเองไหมมันไม่ยอมรับอะไรง่ายๆแค่ที่อยู่ตรงหน้ามันคอยแต่ไปปัน่นไปสร้างหรือว่าไปไปไปก่อไปก่อภาวะไปก่อตัวไอ้อะไรที่มันพิเศษขึ้นมาทาั้งๆที่ก็เป็นคนกลัวไอ้ภาวะปรากฏการณ์อะไรที่มันคาดไม่ถึงมันขัดแย้งกันอยู่ นี่ถ้าเรามองเห็นในตัวความขัดแย้งนั้นมันก็สงบลงแล้วเหลือแต่ภาวะธรรมดาธรรมดาตรงหน้านี่เข้าใจนะ มันก็ไม่ถึงกับเบียดเบียนใครอะไรมากมายเนี่ยนะอย่างนี้ก็และกันคือถามตัวเองง่ายๆไม่ว่าเราจะทำตัวในชีวิตประจาวันแบบไหนก็ตามนะถามตัวเองว่าเรามีความสามารถที่จะรับรู้สภาวะที่มันปรากฏอยู่ในเราตรงตามจริงได้ไหมถ้าหากว่ามันสามารถรู้สึกได้ตรงตามจริงนั่นแปลว่าเรายังปฏิบัติได้อยู่ นี่อย่างตอนเนี้ใจมันรู้สึกสบายขึ้นมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดคิดถูกคิดผิดแบบก่อนหน้าตอนนี้มันมันค่อยว่างค่อยรู้สึกสบายขึ้นให้ความรู้สึกสบายต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราสามารถรู้ได้ไหมถ้าสามารถรู้ได้นี่คือจะเินสติได้แล้วแต่ถ้าโอเคคือมันมีอยู่ บางการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าหากว่ามันมันบิดเบี้ยวจริงๆมันจะไม่ทำให้ภาวะที่จะไปยอมรับอะไรตรงต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันมีอย่างนั้นจริงๆนั่นสแสดงว่าพฤติกรรมของเราบิดเบี้ยวเกินไปแล้วแต่เรารู้จากการสำรวจเข้ามาไม่ใช่จากการตัดสิน เมื่อกี้น้องพูดเนี่ยบอกว่าเนี่ยตอนนี้ทําตัวไม่ดีเนี่ยคือไปตัดสินตัวเองแล้วว่าเนี่ยไม่ดีพี่ถามก็คือว่าเรายังสามารถเข้ามารู้ตามจริงได้ไหมเ้าตอบว่ารู้ได้มันไม่มีอะไรบังเนี่ยนั่นแสดงว่ายังไม่เพี้ยนยังไม่บิดเบี้ยวจนเกินไปเข้าใจพี่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจว่าพอย n t ของเราคืออะไรแต่พอ i n t ของพี่ก็คือว่า แทนที่เราจะต้องมากะเกณฑ์ตัวเองนะว่าต้องต้องถูกเป๊ะแบบนั้นแบบนี้คือเราสามารถอาศัยอชีวิตประจําวันเนี่ยจะเดินสติด้วยการยอมรับภาวะที่มันอยู่ต่อหน้าต่อตายกตัวอย่างเช่นเวลาเรารู้สึกว่ากําลังทําอะไรที่มันไม่ดีอยู่ภาวะทางใจมันเป็นยังไงบ้างทีนะของเรานะมันมีอาการฮึกเหิมมันมีอาการคึกขนองที่จะ วิ่งใส่เต็มที่กระโจนใส่เต็มที่แต่บางครั้งมีความรู้สึกเหมือนเบรกกึกเคยรู้สึกใช่ไหมพอจะวิ่งใส่อ่ะตอนกระโจนใส่อ่ะมันเต็มที่แต่พอไปถึงที่มันเบรกกึกนั่นหมายเข้าใจภาวะที่มันหยุดกระทันหันตรงนั้นนะเนี่ยถ้าเรารู้สึกถึงไอ้ภาวะเบรกกระทันหันตรงนั้นได้นี่ก็เรียกว่าเรากาลังจรเินสติในขณะที่กำลังทำในสิ่งที่ เราพูดว่ามันเป็นการประพฤติไม่ดีเรียกว่าอะไรดีคือเรียกว่าเรียกว่าจิตมันไม่ยอมก็แล้วกันคืออย่าเพิ่งไปพูดเรื่องสติรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะเวลาทำเพราะบางทีเนี่ยมันจะแยกยากแต่ถ้าพูดว่าจิตมันไม่ยอมอย่างนี้มันชัดเจน มันมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ไงแอรแรงเบรกอะ่ะนี่แบบพอกระโจนเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกหยุดกึกเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคือไม่ได้ไม่ได้เจริญสติไม่ได้คิดว่าเออเนี่ยจะให้สติมันไปรับรู้ภาวะอะไรตรงหน้าแต่มันเหมือนกับมีตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นในเราใส่แรงเบรกเข้ามาคือสวนทางกับทิศ ท, ทางที่เราฟุ่งเข้าไป นี่เราบอกตัวเองว่าโอเคตรงนี้เนี่ยเป็นภาวะพรุงแต่งชนิดชนิดหนึ่งของจิตก็เรียกว่าตัวห้ามตัวเบรกจิตมันไม่ยอมคือพูดง่ายๆคิดง่ายๆก็จิตมันไม่ยอมคือน้องจำไว้อย่างนี้ดีกว่าว่าภาวะที่จิตมันไม่ยอมตัวเองเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในทางดีก็ได้ หรือในทางไม่ดีก็ได้แต่ตอนที่มีอาการเบรคกึกเนี่ยมันเป็นภาวะเดียวกันไงเข้าใจใช่ไหมมันจะได้เห็นเห็นเป็นกลางๆเห็นเป็นภาวะอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเนี่ยตอนที่มันมีความรู้สึกท็อทวนนึกขึ้นได้เห็นไห้ใจมันมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งมันเหมือนเห็นภาวะสภาวะทางธรรมอะไรแบบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าง แล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันสบายไม่ได้มาขัดแย้งกับตัวเองเนี่ยพอยต์มันอยู่ที่ตรงนี้เราจะเหลวไหลหรือไม่เหลวไหลาทาดีหรือไม่ทาดีด้วยการตัดสินจากตัวเองหรือภายนอกก็ตามตราบใดที่เรายังสามารถเห็นภาวะที่มันกำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้โดยไม่มีเอยียงซ้ายไม่มีเอียงขวาไม่เป็นให้คะแนนลบหรือให้คะแนนบวกตัวนี้แหละที่พี่บอกว่ามันยังจะเดินสติอยู่ได้ก็ทาไปเถอะ ส่วนที่มันจะเกิดความสึกว่าไม่มีกำลังใจเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นความคิดส่วนเกินแล้วคือความคิดนั้นจะมีหรือไม่มีไม่มีผลกับการที่เราจะมาเจริญสติการเจริญสติที่จะมีผลกับเราจริงๆก็คือว่าเราใช้วิธีที่เรารู้มาอยู่แล้วเนี่ยในทุกสถานการณ์ต่างหาก นะจ้ะคือณเานี้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความยอมรับในการที่เวลาที่เรายอมรับตามจริงแล้วก็มองมองเรื่องทุกเรื่องให้ให้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีอ่ะ มันสามารถเกิดขึ้นได้อะค่ะแล้วพอเรามองเห็นตามนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันสายใจมากเหมือนกับเราวังได้เราปล่อยได้แต่ทีนี้ว่าพอมาเป็นที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยใจไปกับกเรสแล้วก็เลย รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ ท, ที่ที่มันต้องที่มันเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นได้อะค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะด้วยด้วยส่วนตัวแล้วอ่ะคือมีความเชื่อแล้วก็มีความรอมรับในคําสอน ข, ของพระพุทธเจ้าอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่น่าจะเราไม่น่าจะปล่อยได้ปล่อยใจไปตามใกได้ขนาดนี้อะค่ะ โอเคคือคือจุดจุดที่มันขัดแย้งกับตัวเองเนี่ยนะมันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่มีนิยามที่ชัดเจนว่าตรงไหนมันได้ตรงไหนมันไม่ได้นี่เพื่อที่จะให้เกิดนิยามที่ชัดเจนเนี่ยเราแค่ว่ารู้สึกสบายใจที่ตรงไหนถ้ามันยังสบายใจอยู่ถ้ามันยังรู้สึกว่าเออไม่ได้ถึงขนาดต้องมากิ i ตี้ถึงขนาดต้องมา รู้สึกผิดอะไรทีหลังเนี่ยนะเอาตรงความสบายใจนะั้นเป็นจุดตัดสินก็ได้เพาเออมันยังได้อยู่เพราะว่าคนเนี่ยถ้าหากว่าจเจริญสติมาแล้วหรือว่าปฏิบัติทำมาแล้วหรือว่าถือปีนอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยนะมันจะสั่งสมความรู้สึกถูกต้องเข้ามาถ้ามันยังรู้สึกสบายใจได้อยู่นั่นแปลว่ายังถูกต้องอยู่เข้าใจพลอยไหม ไม่ความรู้สึกว่าเรากําลังเดินไปในทางที่ถูกต้อตรงนั้นเนี่ยไม่สบายใจแล้วแ ต, แต่ว่ า, าการที่เรามองทุกเรื่องเป็นเรื่องทรงานที่มันเกิดขึ้นได้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมันขัดแย้งตรงนี้เนี่ยเราไม่มีนิยามที่ชัดเจนไงเราบอกว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนะ ทั้งหลายทั้งปวงมันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นตามที่มันเป็นไปตามธรรมชาติของแรงส่งของเหตุปัจจัยต่างๆหรือว่ามันเป็นอนัตตามันมีคำว่าช่างมันอยู่ลึกๆแต่ประเด็นของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก่อนที่จะมาถึงการเจริญสติมันมีความถูกความผิดอยู่วัดจากกุศลและอกุศลถ้ารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ามันมืดมืนหมดนหม นั่นแสดงว่ามันไม่ถูกมีอะไรบางอย่างไม่ถูกแล้วแต่ถ้าหากว่าเรายังรู้สึกสบายใจได้เออถามว่าเป็นข้างเดียวกันกับความสว่างเต็มที่ไหมมันบ อ, บอกตัวเองได้ว่าเออเนี่ยยังสว่างเต็มร้อยอันนั้นก็คือโอเคไม่เป็นไรนิยามอยู่แค่ตรงนี้เองไม่สบายใจมันมาพร้อมกับความรู้สึกมืดมดืหม่นหม่นสบายใจมันมากับความรู้สึกสว่างเป็นกุศล ถ้าเราทําอะไรแล้วรู้สึกไม่แน่ใจว่ามันผิดหรือเปล่าแปลว่ามีความไม่สบายใจมีองค์ประกอบของอกุศลธรรมอยู่ในใจของเราแล้วเข้าใจพลอยนะพอพอถามว่ามันมีอกุศลธรรมอยู่ในใจเนี่ยแล้วเราจะแก้ที่ตรงไหนว่าอาจจะจากมุมมองที่ว่าทํำยังไงที่อากุศลธรรมมันจะไม่เกิดขึ้นในใจของเรา คือพอตั้งไว้กว้างๆแบบนี้เนี่ยมันจะค่อยๆไปเห็นรายละเอียดเอาเองในการใช้ชีวิตประจําวันจริงๆหรือว่าในการเลือกตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันไม่มีตายตัวหรอกว่ต้องทงํานี้1 2ึ ส, สแต่ไอ้ที่เราทำทำอยู่เนี่ยหรือว่าการตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้ามันสบายใจขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ย หากุตธนทธำ ม, มันหายไปจากใจเราหรือว่าลดระดับลงนี่แสดงว่าทาในสิ่งที่มันถูกต้องมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะ โอเคอ่ะครับกปฏิบัติมาัระยะนึนนกว่าวรเบื่อเบื่ออกย่างแก็ได้ยหัการี่ะครับางีม่ต้องจย่ต่อการเบออยกามาจากความไม่แน่ไม่นอนไง ว่าเราจะวัดผลความคืบหน้าจากตรงไหนคือมันรู้สึกว่าเหมือนทำไปแล้วงันๆนทีนี้ถ้ามาลองทำสมาธิหรือว่าเดินจงกรมบ้างมันจะเริ่มเห็นว่าเออเนี่ยความก้าวหน้าคาว่าความก้าวหน้าเนี่ยวัดจากจิตที่ตั้งมั่นมากขึ้นอันนี้บางทีมัน เหมือนการรู้เห็นสภาวธรรมในชีวิตประจำวันได้ก็จริงนะแต่มันรู้ผิวๆมันรู้บ้างไม่รู้บ้างมันไม่ได้รู้ตลอดเวลาแล้วจิตเนี่ยของคุณจะยังรู้สึกอยู่ว่าจิตมันแสบใสคือมันรู้เห็นสภาวธรรมอะไรบ้างก็จริงนะรู้ตามจริงรู้ไปว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นภายนอกภายในบางทีรู้เห็นเป็นจิตด้วยซ้า แต่มันไม่แน่ไม่นอนเอาแน่ไม่ได้เพราะจิตเพราะจิตมันยังซัดสายอยู่ไปตรงน้นทีทางนี้ตีคือมันยังฟุ้งซ่านคือยังเห็นความฟุ้งซ่านว่ามันเป็นเครื่นงรบกวนนี่ถ้ามาฝึกสมาธิบ้างเนี่ยอย่างที่ไกดไปตอนแรกเมื่อกี้ตอนทําเนี่ยก็ยังยังรู้สึกปุ้งฟุงฟุ้งฟุ้งเน่ยนะหรือมันมีความสงบความว่างขึ้นมาเป็นวุบวบแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆ ทำไปเพิ่มพูนทักษะความชำนาญในการที่จะเข้าสมาธิจะเห็นเลยว่าลักษณะของความฟุ้งซ่านในหัวเนี่ยมันลดระดับลงอลจิตจะมีความตั้งมั่นมากขึ้นอย่างแล้วก็อีกจุดหนึ่งตอนที่เดินไปเดินไปเดินมาเนี่ยลองสังเกตมันเหมือนจะไม่ได้มองอะไรชัดอยู่ตรงหน้านะมัน มันจะสุ่มไปเรื่อยตามอาการคิดที่มันไหลไปในหลายๆเรื่องแทนที่จะปล่อยให้ความคิดมันไหลยอยู่ในหัวไปเรื่อยเราลองอสังเกตเท้ากระทบดูในตอนเดินนะในช่วงเดินเพราะถ้าไม่เอาไอ้เท้ากระทบเป็นศูนย์กลางการสังเกตบางทีเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าเรา เรารู้ตัวอยู่แต่ในอาการรู้ตัวเนี่ยแป๊บหนึ่งมันกลายไปเป็นคิดเรื่องน้นเรื่องนี้ไหลไปเรื่อยแต่ถ้าหากว่าเราสังเกตอยู่นี่รู้รู้หรือเปล่าว่ากําลังรู้เท้ากระทบกระทบกระทบกระท บ, ะทบไปเรื่อยๆมันจะมีภาพวาดที่ชัดเจนอย่างถ้ากติกาของเราคือมีสติหมายถึงเท้าเท้าอยู่ในใจนะคือรู้รู้สึกถึงกระทบอยู่ในใจ ฉะนั้นถ้าเท้าหายไปจากใจก็แปลว่าสติหายแล้วมันจะได้ดึงกลับมาถูกว่าจะดึงกลับมาตรงไหนไม่งั้นตอนที่คุณเดินไปเนี่ยมันเหมือนกับพอล่องลอยไปแล้วไม่รู้จะเอาจุดไหนเป็นมาานวัดว่าเนี่ยกลับมามีสติใหม่แล้วอาการที่ใจมันลอยไปอ่ะมันปุ้งสั้นไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ เรารู้ก็จริงว่าเนี่ยกำลังพุ่งสัน้นแต่มันไม่มีมาตรฐานเลยมันไม่ไม่รู้จะเอาตรงไหนเป็นดีเฟนเซนว่าเนี่ยเรากลับมามีส ต, ติใหม่แต่ถ้าหากว่ารู้เท้ากระทบไปนี่ชัดเจนกลับมารู้เท้านะโอเคครับก็คิดว่าเดี๋ยวพอดีว่าผมต้องไปที่อื่นวันนี้นะ วันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาร่วมเสวนากันครับสวัสดีครับ